จรานพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาส น, นาทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลพธาวนาะท่านที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาก็ขอเชิญเข้ามาได้เราก็ไปบุคคลที่มาเป็นขาประจำทุกวัน ทุกอาทิตยก็คุณเด็กชายพีเคพีเวันนี้ไม่มีคำถามครับมีคำตอบไหมเดาว่าเมื่อวันนั่งสมาธิสามนาทีเลยครับเหรอนั่งได้เลยเมื่อกี้เพิ่งนั่งไปหนึ่งนาทีครับพอาจารย์ยังเหลืออีกสองนาทนะียังไง นั่งอีกสอกนาทีได้ไหมได้ผาอาจารย์โอเคนะต้องพยายามนะกับูาสัสดกันข้าพเจา้าอ่าเก่งมากใจ แ, แม่พี่เคย์มีอไรบ่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะวันพฤหัสค่ะพระอาจารย์ปวดท้องมากแล้วก็ ได้ทดลองตายไปหนึ่งทีเลยค่ะคือสติมันวูบดับไปเลยค่ะพระอาจารย์จากที่ปวดท้องอระดับห้านะคะมันขึ้นไปถึงสิบแล้วมันก็พอพอพอถึงห้าหนูก็ท่องพุทโธแล้วก็พุทโธเอาไม่อยู่หนูก็เปลี่ยนเป็นบทบทสวดคาถาที่คุณย่าสอนไว้บทหลวงปู่ทวดนะคะหนูก็น้โมโพธิสัตวจนมันดับจอมันดับภาพสีดําเลยค่ะพระอาจารย์ มารู้สึกตัวอีกทีตอนที่นอนอยู่กับพื้นแล้วรู้สึกว่ามันเย็นๆแต่ปากก็ยังท้องอยู่หนูก็แปลกใจว่าเอ๊ะทาไมหนูมานอนท่องบทเส่วนมนต์อยู่บนพื้นนะลุกขึ้นมาเลือดไหลเต็มคางเลยค่ะมันมันมั น, มนวูบไปตอนไหนคือไม่ทราบเลยค่ะพระอาจารย์รู้แต่ว่ามันเจ็บแล้วมันก็ชัดดาวไปเลยค่ะวูบตกจากเอนั่งอยู่ในห้องน้ำอะค่ะใ น, ในบนชักโกครกอะค่ะแล้วก็ โกนนาทิมคางแตกหมดเลยอาจจะสลบไปก็ได้มั้งหลบไปค่ะแต่พอตื่นขึ้นมาคือปากยังท่องหนูก็เอ๊ะทําไมมันนอนท่องอยู่บนผืนหล่ะทําไมมันเย็นเอืม <c oughs> ก็เลยลุกขึ้นอืค่ะแล้วเป็นยังไงดีมั้งลุก ก, ก็ก็คิดว่าอ๋อความตายมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือ <c oughs> <c oughs> อยู่ๆก็มาโดยที่แบบไม่ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนเลยแล้วเรา การที่เราวูบหายไปอย่างนี้แล้วมาตื่นอีกทีแบบนี้มันคือการเกิดการดับเป็นแบบนี้หรือเปล่าเลยนั่งคิดมาตลอดเลยค่ะพราว่าันความตายมันใกล้นิดเดียวเองอมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่มีใครค า, าดฝันค่ะพอพอได้สติหนูก็ลุกขึ้นมาก็ไม่ได้ไม่ได้ตกใจนนลานอะไรนะคะทั้งที่เลือดเต็มแล้วอยู่กับน้องสองคนนะคะก็อาบน้ำแล้วก็ เรียกเพื่อนมาดูแลแล้วก็ดั่รถไปโรงพยาบาลให้หมอเย็บโดนไปเก้าเข็มค่ะ mm hmm. โดนแล้วก็แอดมิดโรงพยาบาลเช็คทุกอย่างมันก็ปกติค่ะ mm hmm. เพียงแต่เขาคิดว่าอาจจะเป็นตอนช่วงมีประจำเดือนที่เลื่อนมันไปคัางอยู่ในตรงรอยเย็บอะค่ะ mm hmm. ก็เลยทำให้ปวดท้องพีไป mm hmm. เขาก็บอกว่าก็อาจจะเกิดได้อีกหนูก็แบบ ก, <laughs> กลัวมากเลยต้องมีสติอยู่ทุกทุกย่างก้าวทุก ตลอดเวลาเป็นมรณานุสติไปเลยอะค่ะพระอาจารย์อนี่ยแค่นั้นเองพอมดจเรู้ว่าชีวิตเรานี้มันเป็นของชั่วคราวอย่าไปเอาจริงว่าจังวอามันมากเกินไปตายไปก็ อ, อะไรไปไม่ได้ค่ะช่วงที่มันหายไปเนี้ยมันแบบคืออยู่ๆมันก็ไฟมันดับเหมือนดับปิดโทรทัศน์จอดับไปเลยอะค่ะพระอาจารย์ <laughs> คงจะเรื่องของการสลบมากกว่าอืมค่ะแต่ก็แต่ใจเราก็ไม่ตื่นเต้นตกใจก็แสดงว่าเราก็ไมีสติพอสมควรอ๋อค่ะไม่ตื่นตนออนกไม่พอรู้ฟื้นขึ้นมาก็ยังรู้สึกเฉยๆ ก, ก็ก็ดีค่ะไปโรงพยาบาลหมอถามว่ายังคุณยังไปอาบน้ำต่ออีกเหรอคะค่ะไม่่กล้าถามค่ะไม่มีสติ ไม่ตน<า>เต้นตกใจได้ทรรมะพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอาจารย์เนี้ยละค่ะคอยได้ฝึกอยู่ตลอดจนจนกระทั่งได้ได้ลองสัมผัสความเจ็บแล้วก็ค่ะเราต้องฝึกมาไว้ก่อนด้วยออขึ้นเวทีเมื่อไหร่เราก็จะได้ไม่เสียหลับค่ะนี่ก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามันมันจะต้องถึงเวลาจริงจริงอ้อมันคงไปแบบนี้เนะก็คือาทาใจนึกถึง พุโทโธพุโทโธของเราไว้หรือว่าท่องท่องหมดแล้วมันก็จะไปเออมันก็ไม่ได้เจ็บนะเอตั้งสติไว้แล้วก็จะไปสงบค่ะค่ะอ า, าจารย์มาเจ็บตอนฉีดฉีดยาชารอบแผลเนี่ยเจ็บกว่าตอนนี้ลมเยอะเลยค่ะค่ะไปเยอะอยู่การที่เราฝึกฝนอบรมไว้อยู่เรื่อยๆสติอยู่เลยนั่งสมาธิใช้ปัญญาสอนใจให้ตรงให้วางออ มาแจมแจ้งตอนตอนเจ็บนี้เลยค่ะพระอาจารย์บออ๋อที่พระอาจารย์ให้ให้ให้มีสติอยู่ตลอดเวลาก็คือมันเป็นอย่างงี้นี่เองอ ม, <ะ>มีสติแล้วใจเราไม่ตื่นเต้นแต่ตกใจค่ะคิดว่าวันนั้นถ้าเป็นปกติก่อนที่จะปฏิบัติทําคงคงลนลานทําอะไรไม่ถูกอะค่ะคือนอนอยู่กับพื้นแล้วเลือด ก, ก็ไหลเต็มพื้นเต็มไปหมดเปริ่มริ่มออกมาค่ะพระอาจารย์ค <laughs> <laughs> งตกใจมากมากอะคะ่ะ นิสักแต่ว่าดูไปดูไปใชอค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ที่เมตตาธรรมังสระนังกระฉามิเนี่ยมาเป็นที่เป็นของเราปฏิบัติธรรมแล้วถ่าทำจะปกป้องรักษาใจน้องไว้ให้เต่นเต้นตกใจค่ะพระอาจารย์ไปกลัวเข็มฉีดยาหมอแทงค่ะวันนั้นอต้องฉีดยาช้านะคะโอ้โหต่นั้นหมดสเตอร์ะค่ะ ค่ะพระอาจารย์กับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอธรรมะรักษาค่ะให้พระอาจารย์ทัดทัดแข็งแรงนะคะค่ะมีฉีดยามันก็แป๊บเดียวผมเข็มทิ่มนิดเดียวค่ะตอนฉีดยาหนูก็พุทโธพุทโธรัวๆเลยค่ะพระอาจารย์ดีก็ไม่ฉีดไม่ฉีดยิ่งจะเจ็บกว่านี้ค่ะโอเคนะรักษาใจด้วยพุทโธด้วยสติกายก็รักษดูแลไปตามอัตภาพ ค่ะพระอาจารย์น้อมนําไปไปฏิบัติค่ะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ต้องไปค่ะหนูก็เตรียมเตรียมเตรียมอารมณ์แบบตอนที่วูบไปค่ะอ๋อมันคงวูบไปอย่างนี้เจ็บมากๆแล้วมันคงหายไปอย่างนี้เนอะเราก็มีพร<า>ะอยู่ในใจอา่าได้แล้วล่ะเยวเนี้ไปสบายค่ะไม่หโอเคนะค่ะกลับ ม, มามาเจการเจ้าค่ะอ่าเจะแม่จะาเจ้าที่ วันนี้มีอะไรบ้างหังาเราทำ<ร><ร>การพระอาจาร<ท>าจครับวันนี้มาสุกันบ้านแล้วก็รายงานการนั่งสมาธิครับอา้าวรายงานก่อนครับก็คือตอนนี้นั่งสี่สิบนาทีแล้วครับเนนั่งเป็นประจาเลยนะครับนั่งได้เลยได้ครับยากไหมไม่ยากครับไม่ยากนะอา่าดีมากแล้วตอนที่มานั่งสมาธิที่ที่นะั่งวุติแล้วนี้นั่งได้ไหม ก็ได้อยู่ครับยางไหมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับลงได้นะได้ครับโ <Okay. S 2> อเคเก่งมากเราจะลักตอนนี้จะจะถึสี่สิบนาทีเป็นมาตรฐานไว้ก่อนใช่ไหมใช่ครับโอเคดีอย่าให้น้อยลงนะให้มากขึ้นได้แต่น้อยลงไม่ได้นะอย่างนี้ต้องอย่าลักเท่าเดิม Uh, ถแล้วเดี๋ยวต่อไปเวลามีอะไรให้กรนเกิดขึ้นเราก็จะได้มีสติ uh, ไม่ตื่นเต้นตกใจไม่หวาดกลัวนะเฉยๆไปครับโอเคจะส่งการบ้านต่อเใช่ไหม uh, ใช่ครับอ่าดีการบ้านนี้ก็ดีนะเป็นปัญญาให้ใจเราไม่ไ ม, ไม่ไม่วุน่นวายไม่หวัน่นวั่นไหวครับ uh, อืมเอามามีอะไรบ้าง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 มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมไดไว้เป็นกุลบิดเป็นบาปเราจะเป็นภยญาตคือว่าเราจะต้องไดรับผลของกรรมนั้นๆสื่อไปเราทั้งหลายคนรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดจำไว้นะเกอดแก่เจ็บตายเพราะท่จากกันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนต้องพร้อมรับมันนะไม่ต้องไปกลัวมันมันฝนตกแด่หร มันเป็นสิ่งที่เราห้ามมันไม่ได้แต่เราทำใจให้เราไม่ไม่วุ่นวายไม่ไปทุกข์กับมันได้ครับแล้วก็ตางกายของเรามีอะไรบ้างมีผมขนและฟันหนังเนื้อเอน็เ น, อนกระดูก่ยนกระดูกม้ามหัวใจตับผิวไ ต, <ะ>ตปอด ไซใหญ่ไซน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าย่อยในสมองศีรษะน้ำดีน like oh ้ำเสดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงาน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงอน้ำเลือด น้ำเหลืองน้ำสเสดน้ำดีย่อในสมองสีสะอาหารเกา่าอาหารใหม่ส้น้อยไซ ใ, ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจ้าย่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังปันเล็บขนผม น, นึกถึงภาพอาการเันนี้ได้หร้ยังจะเริ่มได้้ะครับ พยายามนึกบ่อยๆเวลาเห็นร่างกายใครเราดูว่าปอดของเขาเป็นยังไงปอดเขาอยู่ตรงไหนตับเขาอยู่ตรงไหนหล่าไส้เขาอยู่ตรงไหนนะลองลอ ง, ลองศึกษาดูครับเมืต่อไปเราก็จะได้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยงามนะครับ uh. ดีไหมครับ uh. โอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับโอเคทาง น, นี้ก่อนนะนะครับขอบคุณพระอาจารย์ครับอ่น้องพีน้องแม่ยังไงได้กี่นาทีนั่งสมาธิไม่รู้นาที ไม่เอาจริงเอาจังเลยแสดงไม่ไม่ยอมเอาเลยต้องแม่ต้องอยู่ด้วยแล้วดูนาฬิกาก็ไม่ไม่เกินสิบนาทีค่ะจริงๆเขานั่งได้มากกว่า น, นี้แต่ก็แบบพะวงอะคะ่ะเขาพะวงว่าเหมือนแบบจะถึงจะเลยไหมจะอะไรไหมแบบเนี้อะคะ่ะอืมแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาไปอยู่ที่วัดกับเพื่อนๆโดยที่ไม่มีพ่อแม่เขาบอกทําไมเขานั่งนิ่งจังเลยห ม, มาหนูไม่เข้าใจวะ พ่อมีเพื่อนนั่งอยู่ด้วยมั้งอายเพื่อนถ้าไม่เหนื่อยงอายเพื่อนใช่ไหมเนีย่ยเพื่นจะว่านตา ไ, ได้เพราะอะไรครับตัวไม่รู้คะ่ะว่าหนูกลัวจะอายเพื่อนหรือเปล่าเข <c oughs> บอกคนนั่งนานกว่าเพื่อนคะ่ะอืมเพอยากจะอวดเพื่อนไงเพื่ <c oughs> อนอะเพื่อนจะอวดผมเก่งนะผมนั่งได้นาน <c oughs> ใช่ไหม ใช่ใช่ใสายหวัวลอยากอวดเพื่อนมันมีอาจารย์ด้วยโหแต่ก็ต้องเอาจริงเอาจังหนะน่อยนะพี่ต้องถือว่าเป็นงานสำคัญที่ต้องทำนะ เ, เป็นที่พึ่งหงงใจเรานะจะรักษาใจให้เราไม่ต้องร้องห่มร้องห้าไม่ต้องเศร้าสศกเสียใจนะถ้ า, านั่งสมาธิได้เนี่ย เวลามีอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นใจเราทาไมไม่เศร้าไม่โศกพยายามฝึกไว้นะเอาตามตามตัวอย่างพี่สองคนนั้นจำได้กัะทาติเขาไปถึงสี่สิบแล้วเนี่ยเราไปถึงไหนสิบนาทีถอยขึ้นถอยลงอยู่งี้พูดโถอพูดโทอะคำเดียวนี้ทำไมท่องไม่ได้เลยมันยากตรงไหนอะ เราบอกว่ามันไม่ใช่ของยากเราพูดคาพุทโธคําเดียวพูดไม่ได้เลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเราาจริงอจังอยู่นะต้องนั่งต้องพุทโธพุทโธหลับตาแล้วก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นอะไรจะไปมาจะไปอะไรจะรู้สึกตรงไหนอย่างไรร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่นำไปสนใจ อยู่กับพุทโธไปแล้วต่อไปหนูจะเป็นคนเก่งจริงๆไม่ได้เก่งแบบอวดเก่งจริงๆอ่ะนี่หนูก็มีพูดให้เขาฟังเหมือนกันเ้าชอบมาเล่าให้ฟังว่าทำไมหนูนึกถึงตรงนั้นแล้วมันก็จะไปตรงนั้นในสิ่งที่แบบหนูนึกอะไรอย่างเงี้ยมันแปลกมากเขาบอกหนูก็เลยเอาเอาเอ า, เอาตรงเนี้ยมาเป็นอุบายก็หนูสวดมนั่งสมาธิทุกวันทาให้หนูรู้ แล้วต่อไปถ้าหนูทําเรื่อยๆทำจะเป็นนิสัยหนูจะรู้มากกว่านี้แล้วหนูก็จะเรียนแล้วหนูก็จะรู้เลยว่าข้อสอบจะออกอะไรหนูก็พูดแบบเนี้ยค่ะต้องบอกเขาว่าแล้วเวลาหนูนึดนั่งนั่งสมาธิสิบนาทีหนูทําไมไม่นั่งน <c oughs> ะอแต่ท่านนึกว่าไปเล่นเกมนี่ชั่วโมงนึง ก, ก, ก็เล่นได้ใช่ไหมใช่ <c oughs> อ่า <c oughs> แล้วถ้าถ<บ>ู ก, ก, กอะไรที่ถูกกิเลสกับเราเนี่ยเราก็ชอบอะไรที่ไม่ถูกกับกิเลสเราเราก็ไม่ชอบใช่ไหมครับอ่อภาพแล <c oughs> ้วกิเลสก็จะพาให้เราทุกขนะ์แมต่อไปเราไปเวลากิกเลสอยากให้เราทํำอะไรเราทําไม่ได้เราจะทุกขนะ์เนอะเวลาเราไม่สบาย อย่าไปทำตามกิเลสอย่าไปเชื่อกิเลสให้ <จะ S 1> หนี <ทำ S 1> นคถนั่งสมาธิดีกาหนูบอกบอกเขาบอกว่าเวลาเวลาหนูจะทำอะไรให้นึกถึงเวลาตอนที่หนูต่อ LEGO, เลโก้เว่าเวลาเขาต่อเลโก้ต่ออะไรเรื่องไหนเด็กๆ่กะนั่งได้เป็นชั่วโมงนั่งนิ่งเงียบอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงก็เลยบอกว่าเนี่ยหนูว่ามีสมาธินะหนูทำได้นะแต่เพียงแต่ว่าพอ พอแบบโดนบังคับให้ทํามันก็เลยเหมือนว่าต่อต้านแต่พอทําเองก็ทําได้อ mm ืม hmm. แต่พอใจใจใจมันไปโดยการที่แบบว่าทําเองมันก็มันไม่มีตัวฝืนอ mm hmm. อืะก็เลยก็ก็เลยบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าหนูตั้งใจทําเหมือนตอนที่หนูทําด้วยความอยากเล่นเลโก้หรือต่อเลโก้ให้เป็นตัวเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยหนูก็มีสมาธิมากนะหนูก็บอกให้เขาฟังอธิบายให้เขาฟังอะ อีอะไรไหมมีเจ้าค่ะหนูหนูอยากจะรบพวนเอ่อมีปัญหาอยากสอบถามหนูงพ่อนะคะว่าเอ่อยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าเออ่พี่ชายบวชเป็นพระมานานแล้วก็น้องสาวบวชเป็นแม่ชีแล้วทีนี้เนี่ยอ่าน้องสาวที่เป็นแม่ชีเนี่ยค่ะก็บวชบวชมาใกล้ๆกับพี่ชายแล้วก็อุปถัมภ์พระพอยู่ตลอดเวลาพอได้ทราบว่า พี่ชายในปวดเป็นมะเร็งจะต้องเสียชีวิตน้องสาวที่เป็นแม่ชีที่ว่าคอยอช่วยอุปถัก์พี่ชายนะคะเขาก็ร้องไห้แล้วก็ไปกอดขาพระพระพี่ชายด้วยความอาลัยแบบนี้คะ่ะพระจะผิดศีลไหมคะผิดพระไม่ควรจะห้ผู้หญิงแต่ต้องเนื้อตัวเองถึงแม้ว่าเป็นพี่น้องก็ไม่ได้ใช่ไ้ยเจ้าคะ่ะเป็นพ่อลูกเป็นแม่ลูกก็ไม่ได้ อืมเพราะว่าเนี่ยมันก็เกิดปัญหาพอมันตายแล้วมันอาจจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เริ่มเป็นพี่น้องกันเลยนะคะพี่น้องเข้ามีกันที่ก็มีอะไรกันพี่ที่เป็นพี่น้องก็มีไว้ถ้ามันเหมือนกับคนที่หิวน้ำเนี่ยเวลาเจอน้ำน้ำของใครก็ไม่สําคัญฮนะมันอยากจะกินน้ำขึ้นมาคอมันแห้งอะไรอย่างนี้ ก็มีข่าวเยอะแยะเลยตอนนี้นะแม่ลูกก็มีพ่อลูกก็มีอืมใช่ใช่ถ้าไม่มีฮิลิโอตปาไม่มีความอายไม่มีความกลัวบาปเลยแต่ตันหามิเลตันหามันร้ายกาจมากมันไม่มันไม่ถือใครเป็นใครนะมันต้องการอะนะมันไม่มันมันทําเอาเอาหมดนะแม่ก็ตั้งค่าพอค่าแม่มันก็ฆ่านาย ไม่อยากไปเปิดโอกาสให้มันมีโอกาสขึ้นมาพอแตะเนื้อต้องตัวแล้วมันเกิดอาจจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ได้งั้นพระจาาหนึ่งก็ป้องกันไว้ก่อนเพื่อแม่พระเสียนะฮใหมนเนี่ยที่เป็นข่าวขึ้นมาก็เพราะผ้าไม่รักษาไม่ป้องกันไม่รักษาตามพระวินัย อ, อก็เห็นแล้วหนูก็แรกๆก็ก็รู้สึก ก็เศร้าแต่ก็รู้สึกว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้มันก็เหมือนว่าก็มองเป็นอย่างที่หลวงพ่อสอนค่ะมองเป็นตายรักไปแล้วก็มองอว่าเออเขาอาจจะแบบว่าแต่มันมันก็ดีนะคะที่ทำให้ได้ได้รู้คนที่แบบที่ไม่ดีก็ต้องออกไปจากตรงตรงนี้ค่ะมันก็มันทั้งไม่ทั้งดีทั้งเสียทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นใช่ค่ะ ดูกดแห่งกรรมนี่นีนี่รับผลทางโลกแล้วเหลือต่อไปตายไปทางใจมันก็ยังไปรับต่อยใช่ทางโลกก็เขาคงจะทุกข์ใจมากที่เดินมาตรงนี้พี่พี่คะเดินมาตรงนี้ครับเคยมีลาบ ม, มียศกันแต่นี้ก็ไม่มีเหลืออยู่เลยค่ะอืมอืก็อย่างนี้ค่ะกรรมมันก็รอส่งผลนะค ะ, นะะจะชา้าใจใตายไปก็ไปอาบายต่อย แ ล, แล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้เนี่ยคือเป็นไปไปอบายได้คืออีกนานมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยเพราะว่าบวชเป็นพระแล้วแล้วผิดศีลก็จะผิดมากกว่าคารวะไม่นี่เราก็ไม่สามารถประมาณนะแล้วแต่กฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเขาเขาจะจัดการเองยิ่งนานจะช้าจ ะ, จะมากจะน้อยก็อยู่ที่กฎแห่งกรรมเขาไปพู้ตัดสินให้เราไม่ต้องไปคำวลนะล้ว เรากังวลกับตัวเราดีกว่าอย่าอย่าไปทำตามเขาแล้วกันใช่ใช่ก็ทุกวันก็พยายามนั่งสมาธิฟังธรรมอยู่ตลอดค่ะทำจิตใ จ, จตัวเองให้ให้มันดีอืมอ่ะจะได้ไม่ต้องไปไปมีกิเลสตัณหาแ ม, ม่แต่ศาสตวาอาจารย์ที่เป็นเพศหญิงก็พ้าก็ไม่ห้ามให้แตะตอมแม่อหขณะ น, น, นั้นอนะ่ะพระเจ้าท่านละเอียดมาก อืมอืมครูใช่เพราะว่าก็เคยมีข่าวแบ บ, แบบแบบแบบนี้เหมือนกันนะใช่มีเพศสัมพันธ์จะมา ก, ก็มีคนอ่ากอย่างที่บอกว่าเวลาหิวน้ำมัน <c oughs> เจน้าน้ำที่ไหนมันมันก็หิวมันก็เอาก่อนอะอืมจริงค่ะจริงค่ะนั่นต้องระวังนะค่ะถ้าเราปรารถนานิพพานเราปรารถนาความหนุดพ้นเนี่ย เาต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องที่จะมากีดขวางทางสู่พระนิพพานเข้ามาค่ะแล้วแล้วอย่างสมมุติว่าเวลาเราเออ่ไปวัดอย่างเงี้ยค่ะพระพระท่านยื่นของให้เราอย่างเงี้ยเราก็พยายามเหมือนแบบว่าจะแบบหลบแล้วแต่เหมือนแบบคืออย่าไปถูกถูกตัวท่านก็ไม่เป็นไรถกมือท่านก็ไม่ไรถูกไม่ได้ถูกแต่ผพระถูกถูกที่นิ้วหนูเงี้ยหนูก็อู้กู้เป็นธรรมอันนั้นก็เป็นความผิดของท่านค่ะ เพราะหนูพยายามที่จะแบบว่าคือจริงๆอ่ะคืออยากจะให้ท่านวางที่โตแล้วก็หยิบเองเลยจะได้แบบไม่อันเนี้ยหนูก็รู้สึกวูบแต่หนูก็มองว่าเออหนูก็รู้สึกผิดแต่ว่าห น, หนูก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบแต่วันมันนานมากนะเจ้าคะแต่หนูก็แบบพยายามที่จะแบบต่ำที่สุดท่านก็จะไปก็แค่ก็คงจะกลัวตกแต่หนูก็แบบก็เราก็ระมัดระวังมากๆแล้วอ่าก็แบบพยายามน ให ม, มากที่สุดเราไม่เท่าไหร่หรอกปัญหาอยู่ที่ตัวพระมากกว่าโทษจะเกิดที่ตัวพระตัวโยมไม่ก็ได้รับโทษหรอกเพราะถ้าถึงมาเป็นโทษก็เป็นโทษไม่หนักเหมือนกับพระอยู่ที่เจตนาด้วยใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่อยู่ที่ความตั้งใจด้วยแต่ถ้าไม่ให้มันเกิดน่าจะดีกว่าค่ะนี่ค่ะจะได้เป็นวิทยาทานให้ทุกๆกท่านด้วย ค่ะโอเคนะค่ะหลงพ่อขอให้หลวงพ่อท่านแข็งแรงเจ้าคะ่ะอ่าท่านดกับในมาสการเจ้าคะ่ะไปที่สันโดษกับคุณเมื่อยเทศมัยยายกับหลานคุณนี้มีบุญมีอะไรมาถึงมาด้วยกันกับพ่อกับแม่กับไม่มา น่าน้านาพิศวงมุนกันนะก็มีเขาอยู่คนเดียวนะจ่นแม่มถ้าทํเงานไดงินทั้งนั้น่าจอนคยนว่วมุนกันมาเปล่าได้ค่ะเรืยังมาตั้งแต่เด็กเล็กเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่ขับพาไปพัทยาที่วัดยานครับแต่ก็ไม่เคยเข้ามาเลยเนี่ยมแต่คุณยายกับคุณหลานเข้ามา แก่ปัจจัอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอศรัทธายังไม่แก่กล้าพออก่ัจจัยทำไมเราเข้ามาเพราะอะไรเพราะเราไม่ศรัทธาในพระธรรมคำสอนใช่ไหมเราเชื่อว่าเป็นธรรมเป็นคําสอนที่จะช่วยทําให้จิตใจเราสงบจิตใจเราสบายอก่ปัจจัย วันนี้พาคุณยายเข้ามากับาวพระอาจารย์เช่นเคยเฉยๆครับพระอาจารย์ยายพูดยาพูดไม่ไม่ถูกกับพูดไม่รู้เรื่องค่ะเพราะความเป็นไม่สบายเป็นโรค s ล r o โรคโ t r กันนะคะเลยพูดอะไรพูดพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยพูดไปปิงปิงพูดชัดเจนอยู่ยังพูดดียนี่สมัยก่อนยังพอรู้เร้่แต่แต่มันก็ไม่มากเท่าไหร่ค่ะ แล้ความจำเป็นยังยังจำได้คือคืออย่างนี้ครับอาจารย์คือคุณยายเนี่ยแกจะจําทุกอย่างได้แล้วก็อ่าคือเวลาแกจะพูดหรือสื่อสารเนี่ยสมมุติว่าแกจะเรียกอะไรสักอย่างแกจะเรียกสลับเช่นแกเรียกนาฬิกาเป็นแก้วน้ําอย่างเงี้ยครับอาจย์สลับไปสลับมา้ยอืารู้เรื่องแต่พูดไปพูดมาไม่ถูกคือคือแกพูดรู้เรื่องหมดครับอาจารย์แล้วก็แกความจําโอเคหมดแต่ว่าแกจะพูดสลับ ครั บ, รบอาจารยปก่อนอย่าพูดกาคิดให้ดีกันนะเราอย่าพูดอะไรอาจารย์ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ดีเียไม่เห็นไ ม, ไม่เห็นผิดตรงไหนก็รเลึกสิ่งท่านอยู่ะคร จ, จำจำแสดงต้องต้องมีสติให้มากจำได้ค่ะต้องมพยายามมีสติแล้วก็จะไม่ไม่หลงนะ <c oughs> ถ้าไม่มีสติอาจจะหลงได้อ่า ก็พยายามนะคะดีก็พยายามอยูที่ไหนความสาเร็จเลยที่นั<า>้นอทําให้ดีที่สุดก็แล้วก<า>ันครับอาจารโอเคขอความคุณยายสุขภาพแข็งแรง ไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ไปนานๆนะเวลาค่คุณค่ะคุณผู้ายอาจารย์พวกเราทั้งคู่ก็ยังปฏิบัติต่อเนื่องกับาอาจารย์เดี๋ยวมีโอกาสถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะไปกราบผูชายอาจารย์อีกนะครับอืออ่าไปที่คุณสาธกาตอนนี้อยู่บนเขาอยู่เลยแล้วกลับบ้านนะค่ะเอ่ออยู่บนเขาค่ะอาจารย์สบายดีไหมดีค่ะ การทั้งเรียบร้อยเลดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะมีเลยค่ะค่ะค่ะบิตตค่าพระอาจารย์โอเคอาเอาจรนงกกิงเลยนะโอ้ค่ะค่ะเตรียมพร้อมตลอดค่ะในทุกวัตายของชีวิตค่ะดีจ้าคุณทอพใช่คุณทอพทอพ มีอะไรไหมครับอาจารย์ครับยังไม่มีครับโอเคองั้นดูไปฟังไปก่อนนะครับผมคุณอาจารย์ตานา<ข>อาจารย์ครับอธอาจารย์พรหมวิไลคุณอนุ ก, กูลเตนแ ล, ละกลับสวัสดีอาจารย์การาชกรค่ะแข็งแรงอยู่นะไปตีกลได้อยู่ใช่ไนหะอไปแล้วคร คับอาทิตย์นี้เห็นตารางของอาจารย์แล้วรู้สึกว่าจะยาวนานแล้วกเลยมากนะฮะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่วันพฤหัสตัง้งวันละหลายรอบก็มไม่เป็นไรก็ใช้เวลาก็ทำหน้าที่ไปอแตว่วันอาทิตย์ึงของดรวีั้งสองพันกสองพันกว่าคนนะฮะสองพันกว่ามันสนใจ เห็นวันศุกร์นี้เจ๊ต้อยบอกว่าจะไปฟังเทศพระอาจารย์ที่นาบุตริกอืมไ ม, ม่ดีบเนีพราะเมื่อวานไปเจอมารายงานว่าจะไปฟังฟังเทศที่บุติวันศุกร์นี้ฮะแล้วเป็นวันพระที่นาสาราฮะนาบุติาริกโอเค อะไม่มีไม่มีไม่มีค่ะเข้ามากราบค่ะโอเคตอนนี้ตาดีแล้วนะตาเหรอคะก็สามสัปดาห์ค่ะเดี๋ยวรออีกหนึ่งสัปอีกหนึ่งสัปดาห์ไม่มีการเจ็บเลยค่ะแต่มันก็ไม่ชัดนั่นนะคะเพราะเราใส่แว่นโปรเกรสซีมาตลอดก็ยังไม่รู้ว่าต้องกลับไปใส่แว่นโอเคแต่ก็แต่สว่างขึ้นค่ะโอเค่าธุ สุขะอ่าผู้นี้เชียงรายต่อผู้นี้กลับน้มัสกัดพระอาจารย์ครับผมอ่ไมีอะไรไหก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็เข้าประกาศพระอาจารย์ครับก็ไม่ได้หายไปไหนครับพอดีอาจจะมีบางช่วงเข้าไม่ได้ก็ฟังอยู่ข้างนอกกับพระอาจารย์ครับได้เหมือนกันนะครัแต่ก็ไปบัตรทุกวันครับพระอาจารย์ครับผมออครับผมพยายามรักษา การปฏิบัติไหมอย่า <Tong ue. S 1> ให้เสื่อมอย่าให้ถดถอยครับผมแต่ก่อนยางถึงจุดหมายปลายทางเนการเดินท <Tong ue. S 1> <solutions. S 2> างถ้ายังไปไม่ถึงก็ต้องเดินทางไปเรื่อยๆหยุด <Tong ue. S 2> ไม่ได้หยุดก็จะไปไม่ถึงครับผมแต่เมื่อถึงแล้วก็หยุดได้สบายครับผมพอถึงแล้วก็หมดหม ด, หมดกิจรูปสิตังปรมัจเรียงท่านีาจยพูดกิจในพรหมจรรย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว ไม่มีกี่เดินที่ต้องทําอีกต่อไปครับผมครับผมถ้ายังไม่ถึงเป้าหมายก็ต้องทําไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้แข่งกับเวลาชีวิตเรามันแข่งกับเวลาชีวิตเรามารู้จัสิ้นสุดลงเมลื่อไหร่ครับผมครับมันจะชีวิตเราจะจบก่อนเราถึงจุดหมายปลายทางหรือว่าเราถึงจุดหมายปลายทางก่อนที่มันจะจบอันนี้นะมันแข่งกันครับผม ที่ว่าจะถึงไปถึงก่อนจะตายก่อนก็ไ ม, ไม่รู้เหมือนกันเลยก็ไม่รู้ความตายมันก็อยู่ที่ลมหายใจนะครับว่าพูด <c oughs> ถ้าไม่หายใจมันก็ตายผมก็ละลิอกอยู่เสมอครับอาจารย์ <c oughs> นี่ก็ อ, อยากมามาทสิต้องรีบทำเลยเล่งเล่งอยู่ครับอาจารย์ครับพอดีว่าตื่นถ้าตอนเช้าถ้าตื่นมาก่อนผมก็ไม่นอนต่อครับเพราะ ตื่นีสี่ต้องตื่นมาตีสามผมก็ตีสามก็ลุกมาปฏิบัตินั่งสมาธิเลยาาครับอาจารย์ครับอืมยังไม่คืนนะถ้าคืนงานทาไมบวชล่ะ <c oughs> อนนี้ยืนอยูอ่ยกันนะครับอาจารย์ยืนอยู่กับที่อยู่ยืนหยิบกันอายุก็แก่มาแล้วพี่เมื่อไหร่จะมีโอกาสไปบวชผมก็ยังหช่ไหมใช่ไปใช่ลหม อายุเไรตอนนี้ผมตอนนี้ห้าสิบสามครับพระอาจารย์ห้าสิบามจะเข้าห้าสิบสี่แล้วพระอาจารย์ควาจริงก็ยังไม่สายแบบพรามีบางคนเนี่ยอายุเจ็ดสิบก็ยังมาบวชก็มีมให้เขาพร้อมเขาปฏิบัติเด็มตัวให้ตลรางเวลาพอเก็หมดภาร ะ, ะหน้าที่อะไรต่างๆเขาก็บวชเลยแต่ว่าในใจหูคิดอยูน่นะว่าประมาณห้าสิบห้านี้จะไปได้ไหมนี่รือไปกระตุองแบบ เหมือนท่านพระเจ้าหนีไปเลยดีกว่างเงี้ยปล่ออ <laughs> <ไป S 1> กไปเลยเงี้ยเพราะว่าบางทีอลู่นะครับเด <laughs> ี๋ย <laughs> วมันจะไม่ทันนะครับออถ้าไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยู่นี่เป็นบวกมันก็มันจะถูกมันรัดคอไว้่ก็บางทีก็เมื่อทีว่าทํางานทําทํางานทําไปทำมามันเหนื่อยผมคิดเหมือนกันนะพระอาจารย์คิด ไม่ทำไปเพื่ออะไรทกวันเหนื่อยจริงๆมันก็พอมีพอพอใช้อยู่แล้วจะทำเหนื่อยไปทําไมตายไปก็เอาไปไม่ได้ของวันนี้ก็คิดหนีไปเลยดีไหมอย่างเงี้ยโหชิดเหมือนกันนะอาจารย์เอายังไงดีมันมต่างกันนะกับเวลาที่เราตายเราตายแล้วก็เหมือนก็เราก็หนีไปเหมือนกันไม่ใช่เลยคร al, ับใช่ไหมใช่ครับเรตายเขาเขาก็อยู่ต่อได้คนที่อยู่ทีหลังอยู่ข้างหลังก็อยู่ต่อได้เขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าตายตามเรไป อืมาช้าเลยว่าเราตายอยู่นี่เหมือนกันครับใช่ครับอาจารย์ครับถ้าคิดถึงความตายบ่อยๆคิดั้งความตายของเราของคนอื่นต่อไปมันก็จะตัดบ่วงได้ครับผมครับผมน้องนำไปปฏิบัติแต่ก็คิดภารณาทุอสติอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับอาจารย์อนั่งสมาธิก็พิจารณาโคงกระดูกไปเรื่อยเหมือนกันนะครับอาจารย์ ก็สงบดีครับมันได้ได smart, แต่สมาธิมันไม่ได้ปัญญาครับครับปัญญาได้โค้งกระดูกก็ต้องเห็นว่าเป็นดัชสุภาพร่างกายไม่สวยไม่งามอมนอนกับโครงกระดูกอยู่ทุกวันเลยด้าของเขาด้าของเราข้าพุทธข้าพุทครับข้าพุทธเราพิจา ร, รณาเป็นตางปัญญาด้ว ย, วยใช่ไหมครับอาจารย์ อ่าตลับเนเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิกับคิดทางปัญญาได้ครับผมครับผมครับโอเคครับผมครับขอบขอบคุณพระอาจารย์ครับผมจ้น้อมนำไปปฏิบัติตามหลวอว่าจะก้าหน้านะครับผมสาทุคพระอาจารย์ครับหลงว่ามีดวงตายเห็นทมเกิดสิ่งใดมีการเกิดแล้มีการดับไปเป็นธรรมดาครับผมครับผมจะไปยึดไปติดกมันทไม เดี๋ยวมนก็ต้องดับครับผมคราบกับของคุณพระจานทร์ครับผมใช่ใช่ใช่แต่ลูกตามคุณลูกตากับคุณแม่อ่าคู่นี้ก็ต้องตัดยากเนต้องแยกทางกันทั้งวันหนึ่งอะนะมาสการครับพระจันทร์หนูหนูคิดทุกวันเลยครับพระอาจารย์มาทิ้งเขาออกมาจากห้องช้าหนูยังคิดเลยว่าเตรียมใจนะเผื่อเปิดไปแล้วเจอลูกเราหลับไม่เติมด uh, <g un> ีค mm. ิดไว้ก่อน จะได้ไม่ไมตืต่นเต้นตกใจเรามีการพัฒนาจากการเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นของไม่มใช่เป็นของเล่นนะของจริงนะมีอยู่วันหนึ่งหนูแบบสำลักตื่นมาแล้วมันสำลักน้ำลายครับอาจารย์มัน <c oughs> มันดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันแบบหนูรู้สึกเลยว่าหนูหายใจไม่ออกแล้วว่าจะตายแน่แล้วตอนนั้นแบบ ไม่ไม่กลัวตายนะคะคิดแต่ว่าถูถ้าแม่เปิดมาแล้วเจอเราตายนี่คงร้องไห้ใหญ่โตนะดูเลยอาจจะไม่ร้องก็ได้กนะ็อาจะเ็นได้ว่าเป็นธรรมดามีเกิดมีดับเป็นธรรมดาต้องอต้องมั่นหมั่นมันไต่ตรองค่ะอ า, าจารย์ถ้าถ้าร้องไห้แสดงว่ายังสอบตกอยู่ <c oughs> ต้องมั่นใต่ตรองตลอดอว่า ใค้ควรตลอดว่าไปควรตลอดให้มันอยู่ในใจเราเห็นใครก็ต้องคิดว่าจะต้องตายจากกันแน่ๆวันใดวันหนึ่ง่ะแล้วช่วงนี้ก็จากกันเยอะด้วยด้วยพระอาจารย์ด้วยไว้เออด้วยไว้บ้างด้วยแล้วโรคภัยไข้เจ็บบ้างหรปฏิภัยบ้างมันจากกันได้ตลอดเวลาค่ะไปได้ประมปณ a r m a รีบทำประโยชน์ ของตนและของผู้ในถึงพ่อด้วยความไม่ประมาณค่ะงานงานที่หนูรับปากเขาชิ้นสุดท้ายก็เสร็จแล้วค่ะเมื่อวานนี้ไปไปทําไปทําให้ เ, เรียบร้อยแล้วไปกรรมการเลือกคุณครูที่จะเข้าเป็นพนักงานนะคะ อ, อ่นา น, นั้นราชการเรียบร้อยนะคะก็เนี่ยกําลังคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวจะจองวันขึ้นเขาแล้วค่ะอ่า น, ะะานี่งานทังรลงถ้าตัดได้ก็ตัดไปในค่ะไม่เกิดประโยชน์เอาไปไม่ได้งานทางงังรอกทำเท่าไหร่ก็ต้ทิ้งไว้ในโลกนี้ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็หมดแล้วค่ะพระอาจารย์เป็นเป็นงานสุดท้ายที่ใช้แรงรเข<อ>าอะ<ๆ>ค่ะเออเอางานทางธรรมเลยค่ะทําทได้เท่าไหร่เอาไปได้หมดเลยสติทําได้เท่าไหร่ก็เอาไปสมาธิทําได้เท่าไหร่ก็เอาไปปัญญาทําได้เท่าไหร่ก็เอาไปวิโมติทําได้เท่าไหร่ก็เอาไปหมดเลยเป็นของเราทั้งนั้นเลยๆๆนุ่นๆเลยได้โสดาแล้วก็เอาโสดาไปกําลังได้สกิดากาก็เอาสกิดาก้าไปกํับเรา แต่ได้ในพลในในหมือนนี่เอาไปไม่ได้ได้เป็นนายกได้เป็นอะไรเอาไปไม่ได้เล ย, เ, นนย เ, อเอ า, ไไเเาทางธรรมดีกว่าทางโลกเป็นของชั่วข้าวโลกธรรมมีเจริญในเสื่อมเป็นธรรมดาทางธรรมนี่มีแต่เจริญขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดเยนยคือพระนิพพานเป็นของเราหมดเลย ว่าก่อนหนยังเข้าใจผิดนะคะระับอาจารย์มาพบอาจารย์ทั้งได้ได้เข้าใจว่าพระนิพพาน ม, ามาันไม่ได้ศูนย์ไม่ได้ดับสิ้นไปดับสิ้นแค่กิเลสเมื่อก่อนหนูหนูก็หนูเข้าใจว่าพอคนไหนได้นิพพานแล้วเนี่ยก็คือศูนย์สลายไปหมดเลยศูนย์จากศูนจากกิเลสศูนย์จากการเวน้นไหวตายเกิดศูนย์จากภกชาติต่างๆ อ, อยู่ตามนําพังได้นะไม่มีความไม่มีความทุกข์ไม่ได้ความสุขใช่เออ คนถ้าไม่ปฏิบัติก็จะคิดว่าศูนย์นะคิดว่านิพพานจิตศูนย์ตายใครก็เลยไม่กล้าอยากจะไปนิพพานว่าไปทำไม <c oughs> ไปแล้วก็ศูนย์หายหมดเลย <c oughs> มันไม่ศูนย์มันเหมือนเสื้อผ้าที่เราไปซักอะอะไรศูนย์จากเสื้อผ้าที่เราไปซัก <c oughs> ภาพสปกปรกทั้งหลาย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่เสื้อผ้ายังอยู่จิตที่เราปฏิบัติเราก็ซักฟอกจิตจนกระทั่ง ก, กิเลสตัณหาภพชาติต่างๆว่าถูก การซับฟอกซัฟออกไปจากจิตทั้งหมดจิตก็เลยไม่มีกิเลสไม่มีการเห็นว่าตายเกิดก็ว่างอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะสบายค <c oughs> ่ะอือมีแต่สุกน้อสุก น, น้ออยู่ในใจตลอดเวลานีต้องรีดทำน้ำเวลาน้อยลงทุกวันนะค่ะขอบคระคุมีคำถามอะไรไหม ไม่ไม่มีค่ะพระอาจารย์ไม่มี ค, ค่ะมันมานั่งมานั่งฟังที่พระอาจารย์สอนด้วยอ okay. ่ะการโอเคเดชาร์เตอร์ขอบ ค, คุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณตายขอบคุณตายเป็นยังไงน้อกะะมกาศในมรดการค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะ ปบติแบบไรก็เช้า <laughs> มาก่อนาก่อนเปิดร้านนะคะว่จาจย์ก็จะพยายามนั่งทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เข้ามันสามารเนี้ก็นั่งทุกวันเลยคะ่ะวอาจาย์ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เพราะว่าไปจากนาเกลือไปมันก็ใช้เวลาอยู่แล้วก็เหลือเวลาก่อนเปิดร้านประมาณครึ่งชั่วโมงหนูก็นั่งทุกวันนะคะแล้วก็ตอนเย็นถ้าไม่มีอะไรก็ ปิดร้านเสร็จแล้วก็นั่งนั่งข้างในนะน้าคาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือแม่ก็แล้วแต่ว่าสติเรามีมากหรือมีน้อยอะค่ะก็นั่งไปค่ะอื ม, อมก็ดีก็อให้อย่าให้อย่าให้มันขาด น, นะตั้งใจแล้วต้องทําให้ได้ทุกวันค่ะพระอาจารย์ก็ยังก็ยังควบคุมตัวเองอยู่ค่ะเวลาหลับตาก็แบบบางทีใจมันก็ฟุ้งนิดนิดกว่าจะกว่ามันจะสงบได้เวลาก็ใกล้จะหมด ก็ไม่รู้หนูทำถูกหรอเปลค่ะมันฟุ้งก็สวดบนไปก่อนไม่ได้ค่ะไม่รู้ว่าทําถูกหรือเปล่าก็เวลาหลับตาอย่าเงี่ยถ้าเราหลับตาเราจะมองเห็นเป็นกระดานดำระยมก็เอาคําว่าฟุตโตเป็นตัวหนังสือสีขาวขึ้นมาแล้วก็ได้คือไม่ให้มันหลุดไปนะคะพระอาจารย์ให้มีฟุตโตอยู่ค่ะ แต่ถ้าสุว่าเดี๋ยวถ้ากระดานดํามันเปลี่ยนเป็นกระดานขาวยมก็ใช้ตัวหนังสือสีดําแต่เราก็ให้มันอยู่ในคําบริกรรมของพุทโธนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เหมือนเราหลับตาแต่เราเอาตาไปข้างในตาไในเข้าไปจ้องจ้องกระดานดําที่ยมยมคิดขึ้นมาเองนะคะแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าอ ก, ก็คิดว่ามันหลับตาปุ๊บพอหลับตาปุ๊บมันก็เหมือนกระดานดําแล้วยมก็เอาตัวหนังสือพุทโธ ก็พุโธไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ให้มันหลุดเหมือนเรา อ, าอ่านหนังสืออะค่ะเอ่ก็อขอให้มีพุโทโธไปตลอดก็แล้วกันค่ะถ้าหลุด<อ>ปุ๊บมันจะตัวมันจะเอียงทันทีเลยพระอาจารย์เรงรู้เลยว่าถ้าเราถ้าเราท่องท่องอยู่เนี่ยมันก็เหมือนทุกอย่างมันก็เหมือนตรงแล้วก็เหมือนสงบ แ, <อ>แต่พอเราหลุดปุ๊บอุ้ย เ, เ, เราเราเซ่เลยค่ะพอาจารย์ตัวมันเซ่เซเอ็นเอไ ง, งเรารู้เลยว่าอุ้ยเราเราหลุดไปแล้วแล้วก็เริ่มใหม่เริงง่มใหม่ ใช่ค่ะพระอาจารย์มันสติเรามันน้อยมันก็จะตั้งได้อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็ล้มล้มแล้วก็ตั้งขึ้นมาใหม่นึ่มันกลับมาใหม่ก็ยังคิดว่าจะพยายามทำถ้าทําในข้าภาษาทุกวันแต่ถ้าออกภาษาโยมก็คิดว่าก็ถ้ามีเวลาก็จะทําทุกวันเหมือนกันค่ะพระอาจารย์อืทําได้เท่าไหร่ ย, ยิ่งดีของจรินของแท้ของเรา เอาติดตัวไปกับเราได้สติสมาธิอ่าขอบพระคุณกำลัง ใ, ใจค่ะว่าอาจารย์ก็กําลังะจะฝึกไปเรื่อยๆจะไม่ยามไม่หลุดไปไหนนะคะพ่ะอาจารย์ไม่ยอมมีไหนความชำนาญนี้นะสอธุขอบพระคุณค่ะเจ้าค่ะไปที่อาจารย์สุัสตาตอนนี้เรียกอาจารย์นะ้ใช่ไหมกลับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะ ไม่ทราบผู้จัดได้ยินรูปไหมเจ้าคะ่ะเพราะว่า<ด>สิ่งอินเทอร์เน็ตวั น, นอ๋นนคอค่ะเจ้าค่ะวันนี้ดีวันนี้ดบางทีมันสะดุดเจ้าคะ่กะก็เลยไม่แน่ใจ้ะคะ่ะวันนี้อลูกมีคําถามเจ้าคะ่ะพระอาจารย์คือว่าที่สาวของลูกเขาไปตรวจพบว่ามีก้อนเหนือ้อแต่ทีนี้คือเขาจะเขาจะเจาะเอ เขาจะเจาะชิ้นเนื้อตรวจเนี่ยก็คือวันศุกร์เท่านี้เจ้าคะ่ะแต่ว่าเขายังมั่นใจว่าเขาไม่ได้เป็นเป็นมะเร็งแต่ลูกอะ่ะเอาผลตัวจอะ่ะไปที่โรงพยาบาลจุฬาพรแล้วก็ก็ยืนยันว่ารูปร่างแล้วก็ขนาดแล้วก็หลายอย่างคือความเสี่ยงที่เป็นมะเร็งสูงเจ้าคะ่ะหมอเขาก็รอแค่จะเจาะเนื้อเพื่อไปยืนยันว่าร้อยเปอร์เซนต์ะเจ้าคะ่ะ ทีเนี้ยด้วยคํามที่ว่าอา่าลูกคือลูกจะทําหน้าที่ยังไงเจ้าคะ่ะเฉยไปเลยไม่ใช่หน้าที่ของเราจะไปทําอะไรนอกจากถ้าเขาขอร้องว่าเราทำแล้วรก็ทําให้รับแล้วลูกแล้วลูกจะลูกไม่ทราบว่าเขาจะรับได้แค่ไหนแล้วสิ่งที่ลูกจะ พูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือคือคือก็ฟรงก่อนอย่างเงีก็ดูว่าเขาต้องการอะไรืก็คุยกับเขาดูสิคุยอาจารย์ให้ช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็วอรันเตอร์ตัวเราก่อนแล้วก็เสนอตัวเราเองก่อน <c oughs> มีอะไรอยากจะให้ช่วยเหลืออยากจะให้ทําอะไร <c oughs> อยินดีรับใช้ทุกอย่าง <c oughs> ก็บอกเข้าไป จะแล่าแต่เขาว่าเขาจะต้องการอะไรรือไม่ต้องการอะไรเพราะคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเราไม่รู้ใจเขาบางคนก็อาจจะไม่ต้องการที่จะพึ่งใครอยากจะเป็นตัวของตัวเองอาจจะมีความมั่นใจในตัวสูงไมาได้แต่เราก็พยายามให้เขารู้ว่าเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาในทุกรูปแบบ ย, นยืนเคียงข้างเขาช่วยเหลือเขาถ้าเขาต้องการ แต่เราก็ไม่ยัดเยียดอะไรให้กับเขาจ้าค่ะจ้าค่ะลูกก็ลย่างนั ก, ก็อย่างนา<อ>ั้นก็ไปใ ห, ให้เขาเห็นหน้าให้ก็อยู่ใกล้อะไรอี้ถ้าไม่ได้เห็นหน้าก็โทรศัพไบไปถามแต่เรทุกข์สุดเด็ดไปแล้วถ้าเขาต้องการขอช่วยเหลือเขาก็จะพูดขึ้นมาเองหรือเราก็ออฟเฟอร์ว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ไม่ต้องเปลี่นใจนะอะไรทำนองเนี้ เราไม่ควรที่จะไปยัปยดเยียดในสิ่งที่เขาแล้วนะเาอจะไม่ต้องการก็ได้ยัดเยียดธารมะเขาแต่แต่เขายังไม่พร้อมที่จะรับธรรมะก็มันก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์มัน จ, จะเกิดผลเสียสิต้องระวังการที่เราจะให้คารรวามช่วยเหลือกับใครนี่จะต้องดูว่าเขายินยินดีหรือไม่ในสิ่งที่เราจะให้เขา เจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกก็เลยเออก็เรื่องของกายภาพของเขาอย่างลูกวันศุกร์นี้ยลูกก็จะไปเป็นเพื่อนเขาเจ้าค่ะแล้วก็ อ, อย่างที่ผ่านมาทําบัตรนัดอะไรลูกก็ไปแทนให้เพื่อเขาจะได้ไม่เหนื่อยอลูกก็อาศัยเรื่องกายเรื่องกําลังของลูกที่มีก็คือช่วยเขาแต่จิตใจเขาลูกก็ถือว่าลู ก, ไ ม, กลไม่รู้ <ใจ S 2> ว่าใช่ <laughs> ใใก็อยู่ใกล้ก่ะอยู่ใกล้ใกล้เขาเพื่อเป็นกํากลังใจให้กับเขานะ เขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งมีคนคอยดูแลเขาอยู่คอยช่วยเหลือเขอยู่ยแต่เราไม่รู้ว่าทางธรรมเขาเขามีมากมีน้อยเท่าไหร่เราพูดไปอาจจะมันอาจจะมันอาจจะไม่ไม่เป็นผลดีก็ได้หรืออาจจะเป็นผลดีก็ได้เราไม่รู้แต่ทานท่ดีอย่าพูดดีกว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเขาสนใจเขาพร้อมที่อยากจะฟังหรือไม่เราค่ะ แล้วค่ะเขาบอกว่าเท่าที่ฟังก็ยังเป็นคนคิดในทางบวกอยู่่ะก็ยังไม่ยอมรับความจริงอยูงถ้าเป็นนักปฏิบัติทางมันจะไม่คิดทางบวกไม่ทางนั้นจะคิดตามตามความเป็นจริงความความเป็นจริงนะความเป็นจริงมันก็ต้องเกิดนะเพียงใดมันอาจจะไม่เกิดในรอบนี้ก็ได้ลูกก็เลยใช้คําที่พระอาจารย์สอนว่าลูกบอกว่าลูกก็เลยบอกว่า แบบไม่มันโรคใดโรคหนึ่งมันก็ต้องเกิดไม่ว่าโรคอ่ะมันกื่วันนี้มันก็ต้องเจอเคเซราเซราอะไรโอ้ไม่เป็นโรคนี้มันก็ต้องเป็นโรคไหนโรคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกก็บอกเขาว่าถ้าสมมติว่าพี่เป็นอ่ะตัวร้องเองอ่ะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแต่ว้าวันหนึ่งมันก็ต้องไปสุดท้ายมันก็ มันแล้วแต่ว่าใครจะไปยังไงมันก็ต้องไปอะไรเงี้ยนะคะเขาก็บอกลูกว่าเขาก็บอกลูกว่าเขารับได้แต่ลูกก็ไม่แน่ใจอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเขาจะรับได้แค่ไหนแต่เขาบอกลูกว่าถ้าจะให้เขาทําคมีเขาบอกเขาไม่ทาเพราะว่าเขาไม่อยากผมร่วงเขาบอกเขารับไม่ได้คือเรื่องผมร่วงเจ้าค่ะอืมลูกก็เลยเขาไม่เอาเขาไม่เอาลแต่เขา อันนี้เป็นสรนซิทิที่เขาจะต้องเป็นคนตัดสินใจเองใช่เจ้าค่ะพ อ, อะเขาพูดประโยคนี้ก็เลยทําให้ลูกรู้สึกว่าโอ้เราโชคดีจังเลยที่เราได้มีโอกาสแบบเคยฝึกเคยไล่เคยแบบลองลองลองโกนลองทุกอย่างมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออจริงๆถ้าเขาลองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรื่องหนาแต่มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะไปบอกเขาลูกก็แค่รับฟังเจ้าค่ะอืมแล้วก็ เรื่องจิตใจลูกไม่กล้าไปไปพูดหรือไปอะไรลูกก็เลยอาศัยในเรื่องของทางกายที่แบบเราจะไปเป็นกําลังแบบทําน้นทำนี่ให้เขาทาง<ม>อ้อมแต่เรื่องจิตใจลูกไม่กล้าเพราะลูก<ม>รู้สึกว่ามันแล้วแต่บุคคลเลยจริงๆอที่พระอาจารย์บอกว่าเขามีกําลังแค่ไหนทางเรื่องจิตใจลูกก็เลยไม่กล้าไปพูดอะไรมากเจ้าคะ่ะดีแล้วอนะ่ะ ไม่พูดดีกว่าพูดพูดไปแล้วเดี๋ยวมันอาจจะเสียได้อถ้าไม่พูดก็ไม่ไม่ขาดทุนไม่กําไรอย่างนั้นไม่ไม่กำไรแต่ก็ไม่ขาดทุนพูดไปแล้วอาจจะขาดทุนก็ได้อืเจ้าค่ะเจ้าค่ะน้องนําเจ้าค่ะ น, น้องน้องนาเจ้าค่ะ ลูกก็จะประคองครอบครัวไปจะช่วยเป็นกําลังให้มากที่สุดเจ้าค่ะเพราะว่าเขากับคุณแม่สนิทกันมากแล้วก็ถ้าคุณแม่ทราบเรื่องก็ลูกเชื่อว่าก็ทั้งสองคนคงกําลังใจอ่ะเจ้าค่ะลูกก็ไดอยู่ได้ไ ด, ได้ได้ฝึกฝนอบรมมาเท่าไหร่เป็นตัววัดเลยตอนนี้ออจะทํากันบ้านมาพร้อมแล้วก็ได้ค่ะจะยอม ยอมรับความจริงก็ได้ไม่มีใครรู้แต่ละคนเรื่องภายในใจนะไม่ต้องไปกังวลมากเป็นไปค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์น้อมนําคํำสอนเจ้าค่ะญาสาธุอ่าจอยกลับบ้านแล้วเหรอยังอยู่บนเขาอยู่กลับมาแล้วค่ะเป็นยังไงอดเช้าหรือเปล่า ไม่ไหวไม่ไหวเลยก็คือวันแรกวันแรกที่ไปฟังธรรมก็คือขึ้นไปใช่ไหมคะก็ไม่ได้กินอะไรตั้งแต่ตอนนั้นก็คือติแปะแต่วันแรกแล้วก็วันที่สองอ่ะก็ลองแล้วแบบหนูก็กินแค่วาซาญอย่างเดียวตั้งแต่เช้าข้าวกับผมเดือกก็ทําวันแล้วก็มันไม่หิวแต่ว่าเออเขาเรียกอะไรไม่หิวเลยแต่ว่าท้องมันร้องตลอดแต่ว่าในใจมันไม่หิวค่ะอ่าก็ดีก็ผ่านไปได้ ค่ะไว้ได้แล้วก็ได้ได้เรียนรู้หลายๆอย่างได้รู้ว่าร่างกายคือมันไม่ใช่ของเราจริงๆเพราะว่าตอนที่หนูไปบัตดบางทีหนูหนูหนูงว่วงหนูจะนั่งสมาธิแต่ร่างกายหนูมันมันบอกว่าง่วงคือมันจะนอนแล้วแล้วก็หนูก็เลยแบบพอนั่งมันนั่งไม่ได้มันไม่สงบแล้วก็เลยต้องนอนพอนอนแล้วลุกขึ้นมานั่งใหม่ถึงนั่งได้มันมันก็แล้วก็รู้ว่าแบบเขาเรียกอะไรมันได้เช็คเวลเติงว่าตอนนี้เวลติงแค่ไหนแล้วเพราะว่า พราะว่าที่ผ่านมาหนูอยู่บ้านหนูแบบทำแต่เรื่องครอบครัวใช่ไหยคะก็คิดว่าตัวเองอะ่ะไม่โกรธไม่โลบไม่หลงอะ่ะอยู่แล้วแหละแต่ว่าทีนี้การปฏิบัติอมันทำไม่รู้ว่าแบบเรายังขัดเพราะนั่งแล้วมันมีมันไม่ค่อยสงบเท่าไหรอ่อืมดีเนยต้องไปอยู่ในที่ที่มันทุกข์ยากลําบากบ้างเราจะได้เห็นว่าใจเราเข้มแข็งพองไหมที่จะสู้กับความทุกข์ต่างๆค่ะก็เลยกลับมาทีนี้หนูก็เลยเออ จันถึงสุกอ่ะถือสินแปะก็คือนอนพื้นแล้วก็ไม่กินเย็นหลังจากที่ย่งแล้วก็แต่เสาทิศก็คือให้ให้ให้ทำกับครอบครัวบางก็คือเสาทิศที่ถือสินห้าปกติค่ะเพราะว่าไอตัวเล็กมันบอกว่าแม่ไม่นอนด้วยหนูนอนพื้นแล้วเขานอนบนเตียงอืมก็ดีถ้าไปบนข่าวแล้วกลับมาได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้สินที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาก็ดีเยอะ<ป>เลยค่ะถ้าไม่ได้ไปก็อาจจะไม่ได้มาทำแบบตอนนี้ก็ได้ใช่ไหม ใช่ค่ะมันเหมือนมีพลังมันเหมือนมีแรงว่าคนที่ปฏิบัติอย่าแบบคือชะล่าใจไม่ได้ปล่อยคิดว่าเรารู้แล้วมันมันไม่ได้มันต้องมันต้องเข้มข้นตลอดเวลาค่อนี่ต้องกล้าหาญต้องอดทนต้องกล้าสู้กับความทุกข์ยากลำบากอืมใช่มันมันทําให้รู้แล้วพอกลับมาก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนแม่มาบอกว่าคนนั้นก็ว่าว่าไปทําไมทิ้งลูกแต่ก็เลยสงสัยว่าเอาแล้วแบบ เขาไม่คิดกันเหรอแม่ว่าอนหคตข้างหน้าพวกเขาต้องเกิดแก่้วแล้วเจ็บเราคือตายนะไม่ใช่จะหาเงิเขาบอกว่าเขาเขาไม่คิดแบบนี้หนูคิดการหนูก็เลยแบบไม่ไม่น่าไปฟังก็เหรอกเขาไม่ใช่ที่พึ่งของเราฟังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าสวยเขาพูดไปก็เหมือนเสียงนกเสียงกาไปไม่ทําไปฟังเขาเขาบอกวาแบบทำไมทิ้งลูกไปอะไรเงี้ยก็หนูคิดว่าก็ทิ้งที่ไหนลราก็ไปมันไม่ได้ลำบากเวลาไปเที่ยวไม่วันทําไม่ว่าทิ้งอ่ะ เวลาไปปฏิบัติธรรมมาว่าทิ้งลูกแค่สามวันไปแค่สวันเองน้อยจะตายเขาพูดไปตามเขาพูดไปเพื่อเียรแพลาชนะเราเท่านั้นแหละอย่าอย่าไปถือสาก็เลยแต่หนูไม่สนใจเพราะว่าถ้าปีใหม่ถ้าหนูว่าหนูจะไปอีกไปบ่อยๆไปเลยไปไปบ่อยดีค่ะอยู่คือมันมันรู้เลยว่าต้องไปแล้วเวลจะดีขึ้นมากแล้วมันทำให้ปฏิบัติได้แบบ มันบองครั้งเวลาเรามีสติมากขึ้นนะ่ะถ้าเราไปอยู่บนเขาเนี้ยอย่างน้อยนะบาั้งเวลาเรามีสติมากขึ้นมนาะใช่ค่ะแล้วก็บางคนเขาถามว่าไม่กลัวเหรอคือแบบกลัวอะไรไม่รู้จะกลัวอะไรไม่ไม่เห็นมีอะไรที่ต้องต้องต้องกลัวมันแต่ว่าหนูยังไม่ผ่านอย่างหนึ่งคือหนูจะออกแต่ยังไม่กล้าออกกันข้างนอกข้างหน้าค่ะก็ยังกลัวอยู่แต่ว่ามีเสียงอะไรคหนูไม่กลัวไม่กลัวว่าเอออะไรจะมีอะไรมาเจอคือไม่กลัวหนูก็คิดอยู่ว่า จะมีอะไรรอขึ้นมาไหมที่พระเจ้าว่าให้เกิดขั้นต่อขั้นต่อไปก็ต้องออกไปข้างนอกไปนั่งบ้างก็ไดขั้นตอขั้าต่อไปก็ต้องไปนั่งบ้างแล้วต่อไปก็ออกนไปนอกเรือไปเดินบ้างอะไรคือเราออกไปเดินข้างนอกได้หมดเลยเหรอเราขึ้นต่างต่างช่องคือก็เดินแถวหน้าหน้าคานเราไปแล้วถ้าเดึกๆถ้าไม่มีใครก็เดินเราอยากจะเดินไปไกลหน่อยก็ได้ไม่มีใครถ้าไม่มีใครก็เดินเราไม่ไปรบกวนใครแล้วก็เดินของเราไปไกลจากเรือไหนก็ได้ถ้าเราอยากจะ หนูเชี่อในความกลัวอะไรต่างๆ่หนูไปอยู่เรือนเจดเขาบอกว่ามันมันสูงมันบันไดร้อยสิกว่าขั้นแล้วเขาบอกว่าขึ้นแล้วไม่ต้องลงแล้วนะมันมันสูงบรนไดอ่าไม่เกี่ยวหรอกเจะขึ้นจะลงก็ได้เแต่ว่าต้องทําให้มันถูกการณ์เทสามให้ไปรบกวนคนอื่นนั่นเองช่วงกลางวันเดินผ่านไปผ่ามาอาจจะทําให้เขาําคาญก็ได้เราก็อย่าพึ่งออกอต่ยามค่งคืนได้เราคิดว่าไม่มีใคร เราอยากจะไปเผชิญกับความกลัวเราลองไปดูแต่เบื้องต้นเราแค่เนเอามานั่งที่น่หน้าชานก่อนก็แล้วกันตเราคุยอะไรอเงี้ยแล้วค่อยขยับไปทีละก้านทีละก้าวทีละขั้นคือคือหนูคิดแล้วว่าหนูชาตินหนูอยากได้ถึงชั้นอนณาคามีก็คืออยากให้ได้ถึงขั้นนั้นจะได้หัือเปล่ไม่รู้แต่ว่าพยายายอมตายยอมตายถ้าอยากจะได้ก็ต้องยอมตายได้ ป้องพระจันทร์เทตลอดหนูคิดพระโสดาวันก็ยังไม่ได้พระสกิรนาคามีต้องพระอนาคามีชาติเดียวหนูคิดไือ่ อ, อยากไปให้ถึงขั้นนั้นแต่ก็ต้องอกตองอ็ต้องไม่มีผัวถ้าอยากไปถึงขั้นนั้นเลยไ ม, <laughs> ไม่ทันแล้วค่ะนี่พอถือสินแปรก็แบบชอบมาแกล้งหนูบอกว่าอย่าจริงจังงั้นเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนี่คือตั้งใจจริงๆหนูก็เลยเพราะว่าหนูทํามาแล้วตอนแรกตอนแรกหนูมึนหัวเพราะว่าเพราะหนูต้องทํางานด้วยแล้วหนูก็มันไม่ได้กินข่าใช่ไหมแต่พอวันที่สองอืมโอเควันที่สามก็ โอเคไม่ไม่รู้สึกนะอะไรตอนที่เพิ่งเริ่มต้นทำอย่าเพิ่งไปคุยมากเลยดูเวลาไปเรื่อยๆก่อนระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์นะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนนะดูซิว่าจะไปได้สักสักกี่น้ําเงินใช่ค่ะจริงค่ะแต่ว่าเราตั้งศัตรูไปแล้หนูว่าอยากทําให้ได้อยากเหมือนที่า <c oughs> อาจารยสอนว่าต้องมีศัตรูดูวด่วสาสัตรูเรามันน่าจริงหรือเปล่าใช่ค่ะแต่แต่การขึ้นเขาคือดีมากได้ไปเช็คเบลต็งว่าเราอ่อนหรือเราอะไรคือจริงเลยค่ะ อ่ีได้ได้ประโยชน์ก็ดีแล้วละ่ะนะแต่ว่าไปใส่บาบาพักมันด้วยเหอะโอเคสาธุ <S 2> <S 2> <S คุณหมอภาสนาไปถึงไหนมาคราวนี้ธรรมศัการ์กับพระอาจารย์ไปนี่แหล ะ, ค, ะค่ะชาตการค่ะพระอาจารย์ อ, อิสานโลกค่ะได้มาสองอย่างเยอะๆเลยค่ะพระอาจารย์อันแรกคือไม่ได้เช็คว่าท่านเจ้าบอกว่าจะอยู่หรือไม่อยู่เพราะว่าตอน คราวที่แล้วท่านบอกว่าท่านอาจจะไปเปลี่ยนหัวใจคราวนี้ก็พอจัดเวลาได้ก็ไปเลยกะว่าเจ็ดวันก็นคือเจดวันก็ไปท่านท่านไปโรงพยาบาล น, นะคะก็ไม่อยู่ก็ใจจิตไม่ก็คือรู้สึกว่าไม่อยู่หรือไม่อยู่เหมือนที่พระอาจารย์เคยบอกก็คือไม่ไม่คออืออยู่ต่อได้แล้วก็ปฏิบัติของตัวเองไปอย่างนี้นะค่ะพระอาจารย์ที่รู้สึกตรงนี้ผ่านเ <laughs> พราะนั่นเป็นสมัยก่อนพอพอหลวงพอ่อเอครูบาอาจารไม่อยู่แล้วก็จะกลับ <laughs> ตอนนี้เราก็อยู่ต่อพระอาจารย์เราทําได้แล้วก็ไม่รู้สึกอะไร แล้วก็ข้อสองอะค่ะข้อสองก็คือว่ารู้สึกอิ่มบุญมากเลยพระอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพออยู่ในวัดเนี่ยจะมีมีหลวงพ่อท่านนึงอะค่ะก็จะเป็นสตรกใช่ไหยคะเพิ่งเป็นเลยอะพระอาจารย์แล้วก็ต้องไปกายภาพอะแต่ครันี้ที่วัดอ่า จ, จะอาจจะไม่มีคนไปด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราไปด้วยแล้วกันไปด้วยแล้วก็ทำประโยชน์ให้ท่านได้มากเลยลก็คือว่าไปจดกายภาพมาแล้วก็มาเอันนี้โมดในท่านทําจนกระทั่ง ท่านแบบทาเองได้เพราะว่าเพราะาท่านอ่ะเป็นคนที่จะช่วยตัวเองเยอะมากๆเลยค่ะคือไม่อยากจะกวนใครอะไรเงี้ยลองกายภาพคุณหมอกายภาพเ้าก็ให้จดท่ามาแล้วก็มาสอนแล้วก็จดมาแล้วก็มาค่อยๆบอกตอนหลังท่านก็ทําได้เพระอาจารย์ท่านเป็นแค่ไม่กี่แค่สามอาทิตย์เดีมาทํำกายภาพได้เช้าวันเย็นอะไรเงี้ยตอนหน้าที่ไปยังเดินยังยืนไม่ได้นะคะตอนนี้ยืนได้แล้วท่านก็รเป็ น, เ ป, นเป็นบุญของอท่าน เป็นเหมือนท่านแล้วก็ตัวเองก็ได้มีโอกาสแบบว่าเอาอาหารตอนเช้าแล้วก็ออกปา น, นะตอนเย็นแล้วก็จัดยาให้ไปกับที่หนุ่มอะค่ะรู้สึกแบบดีมากเลยแต่ท่านก็เทสใด้ฟังอ่ะคือไม่ได้ขอเลยคะคือตั้งใจจะทําว่าแบบเออคืออย่างน้อยเรามีประโยชน์ต่อท่านแต่ท่านพอไปปายท่านรู้สึกดีอ่ะท่านเทสได้ฟังหูพระอาจารย์มันท่าทพระอาจารย์ฟันด้วยมันแบบแรงแบบไม่อยากนอนเลยพระอาจารย์แบบฟันนั้นท่าแรงเยอะมากเลยพระอาจารย์แล้วก็อีกวันหนึ<ไ>่งอีกวันหนึ่งท่านให้พรพระอาจารย์ คือไม่เคยได้พรแบบนี้เลยคือท่านให้พรโสดธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันพุ่งมันแบบเฮ้ยทำไมพรมันมันแบบรู้สึกปิดติแบบเยอะมากเพราะว่าคขารู้สึกว่าท่านของรู้สึกดีจริงๆที่ท่านเทศให้อ่ะให้พรอะไรก็เลยได้สองคอก็ก็ขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะทําให้ไม่ทําให้ค่อยๆแบบรู้เลยว่าเออเราต้องทําของเราเองครูบาอาจารย์เป็นคนที่สอนค่ะก็หลวงพ่อพอดีหลวงพ่อเป็นอิหัวใจแล้วมีติดเชื้อนิดนึงก็เลยต้องฉีดยาก็เลยไม่ได้กลับมาเลยค่ะคงกลับอาทิตย์นี้ค่ะ เดี๋ยวเดือนหน้าไปใหม่ okay. อือออรู้สึกดีมากขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์ อ, อ, อพระอาจารย์คะมีคําถามอันหนึง่งก็คือว่าพระอาจารย์คะถ้าเกิดสมมติว่าเราภาวนาไปด้วยแล้วก็ปัญญาด้วยถ้ามันเป็นภาวนาแม้ว่าปัญญาจริงๆเนี้ยมันจะเป็นอุเบกขามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะพระอาจารย์คือมันจะไม่มันจะแบบเอ่อตัดมันจะแบบไม่มันคือจะไม่ไม่มีมันจะไม่หยลมมันต้องไม่ทุกข์เกิดแล้วดูซิวับทุกข์ได้หรือเปล่าอืม อไม่มีทุกข์เราจะไม่รู้ว่เป็นปัญญาหรือเป็นไม่ใช่เป็นเป็นเป็นเป็นภาวนาหรือเปล่าเป็นจินตนาเป็นจินตาปัยญาปัญญาหรือเป็นภาวนามัญญาปัญญาอยู่ที่ว่ามีทุกข์หรือไม่ถ้าเราต้องไปหาทุกข์ต้องไปหาทุกข์มาแล้วดูสิว่าเราใช้ปัญญาดับมันได้หรือเปล่าอืมค่ะค่ะต้องไม่หาทุกข์มาแต่จริงๆถ้าถ้าเรารู้ว่าทุกข์กิดสุกกับไม่สุกไม่สุกมันมันก็คือแบบอันี้เป็นจินตนาการยังไม่เจอจริงของจริง จะเจอพี่หนุ่มจากว่าไปดูที่จะร้องไห้หรือเปล่าเเตรียมห้องแล้วคาจางบอกแล้วว่าไว้บายนะอมันก็พูดได้ตอนนี้แหละพอเวลาเวลาขึ้นเวทีจริงๆมันมันจะไว้บายหรือเปล่ามันมันจะไว้บายออกหรือเปล่าอาจารย์เข้าใจเลยคะ่ะก็ทําไปตลอดแต่เรื่องอย่าชะลใจอย่าไปคิดว่าทําได้ <c oughs> อย่าประมาทต้องต้องเจอของจริงก่อนเพงจะรู้ว่า ระยะทางเปครื่องไปสูจน์นเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนอาจารย์แต่วการที่ต้องต้องมีความทุกข์เกิดขึ้นค่ะความทุกข์เกิดขึ้นค่ะพระอาจารย์เราดูว่าใช้ปัญญาดับมันได้หรือเปล่าก็ตั้งใจว่าจะไปวัดทุกเดือนนะพระอาจารย์ไปอยู่วัดทุกเดือนแล้วก็วันเข้าวรรษาก็จะมาหาพระอาจารย์ถ้าไม่ใช่วันเสาร์ที่ก็จะมาวันธรรมดาพระอาจารย์ถ้าวันพระก็ตั้งใจบอกปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆพระอาจารย์เร่งเฮาเฮียนเลยพระอาจารย์ ดีค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแนนต่อคุณแนนมีอะไรไหมคุณแนออนอแลังการนำมาสก์แล้วค่ะไม่มีเส้อคา่ะโอเคไม่มีทุกไม่มีอะไรทั้งสิ้นใช่ไหว่างสงบ <c oughs> และยังไม่และยังไม่ไปเจอของจริงและยังไม่รู้เตยตลอดเลยค่ะเยตยแล้วก็นาไฟใช้แล้วก็ดับได้ค่ะ <Okay. S 2> อโอเคต่อได้อยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจค่ะอ่ า, าอ่าคุณนิสาอ่าคุณนิสาน้องกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์อเจะทุกเรียงดับทุกได้หรือยงังได้บางไม่ได้บางค่ะพระอาจารย์ทุกมาตลอดค่ะพระอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นทุกใจอะ่ะค่ะพระอาจารย์ก็นั่นแหละทุกใจนะ่ะเป็นตัวที่เราต้องการจะดับ การมันก็มันก็ต้องเป็นไปตามกฎอันนี้จางไม่แน่นอนค่ะพอาจารย์ก็พยายามนึกถึงความตายบ่อยๆค่ะพระอาจารย์ให้มากที่สุดค่ะพระอาจารย์อแต่ก็นึกถึงเกิดแก่เจ็บตายค่ะพระอาจารย์แต่เวลานึกถึงความตายมันก็ยอมรับนะคะพระอาจารย์แต่เวลา มันชอบไปคิดถึงก่อนตายอะค่ะพระอาจารย์เราจะเจ็บก่อนนะคะพระอาจารย์ก็ต้องก็ต้องย่อก็ต้องพิจารณาความเจ็บด้วยความเจ็บก็เป็นสิ่งที่มันเราจะต้องเจอเหมือนกับความตายมันมาด้วยกันไปเหมือนฟ้าแฝดค่ะพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็คือพออายุมากๆขึ้นมันก็เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวมีตามมาเรื่อยๆอะค่ะพระอาจารย์ มันเจ็บก็ไปมันเจ็บไปอย่าไปทุกกับมันได้ไหมอย่างเงี้ค่ะค่ะอาจารย์ก็พยายามตามทําตามที่พระอาจารย์สั่งสอนค่ะให้รักษาใจให้มากที่สุดค่ะอาจารย์ก็ยังปฏิบัติค่ะตอนนี้ยังไม่เจอของจริงน้องเจอของจริงก่อนถึงจะรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านค่ะพระอาจารย์ก็มีเจอเจ็บมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ ทำใจได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะอาจารย์นี่ต้องให้มันได้ค่ะก็พยายามที่จะไปรักค่ะอาจารย์ตทุกทายคนเราค่ะอาจารย์เราไม่จะมาปิดความความตายเราไม่จะมาห้ามความตายแต่เรามาห้ามความทุกข์ไม่ให้มันเกิดเวลาเจอความตายให้เจอความเจ็บะ ใช่ค่ะพระอาจารย์จริงค่ะพระอาโอเคนะค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ยังปฏิบัติค่ะพระอาจารย์คุาได้ค่ะค่ะถูกค่ะหนาวในออสเตรเลียช่วงนี้อยู่ช่วงฤดูหนาวของกรมธรรม์มาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะช่วงนี้หนาวจะค่ะแต่ก็ยังก็พอรับได้ค่ะยังมันยังเป็นแบบสิบสี่บ้างสิบห้าบ้างเลยค่ะยังไม่ทั้งโซนนะไม่ค่ะ ม่เมันแต่ก็นาวนะคะแต่ว่าถ้ามีวันไหนมีลมนี่ก็มันก็จะสิบสี่ก็จริงแต่ว่าก็จะเย็นเหมือนตเลขตัวเดียวใช่ค่ะค่ะก็วันก่อนเมื่อวันวันอาทิตย์เออวันเสาร์ค่ะหนูมีโอกาสได้ไปวัดวัดป่าโพธิวันไม่ทราบหลวงพ่อรู้จักไหมคะที่วัเบร์ที่วัเบอร์จันนะคะอพระอาจารย์กาลยานโอเจค่ะอ๋ออยู่ใกล้กล้เราเบิร์นไม่ใช่ อ่าใช่ค่ะขับรถ<ม>จากบ้านพี่สาวหนูไปประมาณสี่สิบห้านาทีอยู่บน<ม>เขาหนูก็เลยได้มีโอกาสได้ไปไปทาบุญเข้าอันสาที่นั่น<ม>แล้วก็ได้มีโอกาสได้สนทนากับหลวงอ่พระอาจารย์กลยานโอท่านสักพัก<ม>หนึ่งอะเจค่ะ<ม>ท่านเมตตาคุยอ่คุยด้วยแอนหนูก็เลยบอกว่าเลยถามท่านว่ารู้จักหลวงพ่อสุชาติอภิชาตโตไมหมท่านบอกว่ารู้จักสี่ท่านที่อยู่ที่พัทยาใช่ไมอะไรอย่างนี้ ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมามาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าโอกาสกว่ามีท่านจะมามามาหาเราเยอะเหมือนกันค่ะตอนเห็นว่ท่านเพิ่งท่านเพิ่งมาเมืองไทยได้ได้ได้ก่อนนั้นก่อนหน้าที่หนูจะขึ้นไปหาท่านแล้วก็แต่ว่าก็มีมีพระอ่พระผู้ใหญ่ท่านขึ้นไปที่ที่วอเบอร์ตันบ่อยเหมือนกันนะคะหลายองค์เหมือนกันค่ะก็ดีเจ้าค่ะได้ไปได้มีโอกาสอยู่ดีก็ได้ได้ขึ้นไปทําบุญเข้าพรรษามาก็รู้สึกดี ไม่คิดว่าจะได้ไปวัดค่ะค่ะก็ปฏิบัติเจ้าค่ะหลวงพ่อตอนนี้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตรงที่แบบรู้สึกหนูด้วยความที่ไม่ต้องทํางานใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอเงี้ยมันมันเหมือนได้อยู่กับตัวเองจริงๆอะค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันดึงมันดึงเวลามีอะไรหรือว่าหรือว่หรือว่าทําอะไรอย่าเงี้ยค่ะมันดึงสติให้กลับมาอยู่กับ กับตัวเองได้ได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นเหมือนหยุดคิดได้นานขึ้นนะคะหลวงพอ่อไม่มีดึงไม่มีเรื่องดึงเราออกไปใช่ค่ะคือคือถึงต่อให้ทั้งวันเรานั่งถ่ายมือถือหรือว่าเราดูเรื่องอะไรคุยอะไรกับใครนะคะแต่ว่าพอเราบอกว่าโอเคไม่ไม่คิดคือเราก็สามารถดึงตัวดึงสติให้มาอยู่กับตัวได้ได้<ม>ได้ง่ายขึ้นเยอะจริงๆริจร้จค่ะหลวงพอ่อ<ม>อาจจะแบบยังไม่ได้ดีเต็มร้อยแต่แต่สามารถสามารถหยุดความคิดได้ไม่ให้ฟุ้งซ่านนะคะ แต่ว่านั่งสมาธิก็ยังยังไม่เก่งค่ะนั่งได้นานก็จริงค่ะหลวงพ่อแต่ว่าสติยังไม่ดีพอยังไม่นิ่งยังไม่ยั่งยืนค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็มีมีพัฒนาขึ้นมาเรื่องหนึ่งก็คือจากเมื่อก่อนที่เวลานั่งแล้วแล้วพยายามจะเข้าเข้าไปในในความสงบเอาเจ้าค่ะมันก็จะได้แบบเหมือนงูแลติ้นใช่ไหมคะที่หลวงพ่อบอกมันจะปึ๊บปึบแล้วก็ออกแต่พอพอด้วยความที่เราสามารถ หยุดหยุดคิดได้ได้นานขึ้นอะเจ้าค่ะพอตอนที่ที่เริ่มลมหายใจนิ่งอะคะ่ะเริ่มเริ่มแบบอยู่กับลมหายใจได้ะคะ่ะมันอยู่ได้นานขึ้นมาหน่อยหนึ่งค่ะหลวงพ่ อ, อสามารถแบบหยุดหยุดให้ตัวเองอยู่ตรงนั้นได้สีิมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังไม่เก่งอะค่ะหลวงพ่อหนูยังยังบางทีก็รู้สึก อ, อย่างสองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ไม่ได้เข้ามามามาซูแมวเจ้าคะ่ะมีแค่ครั้งเดียวองที่ที่สามารถ ที่สามารถนั่งได้แบบนั้นนะคะพอหลังจากนั้น<ม> พ, อพอพยายามนั่งแล้วก็เหมือนตันนะคะเหมือนมันตันมันไม่มันอยู่แค่ตรงนั้นอะ่ะมอย่าไปอยากอยาก่าไปอยากให้มันสงบเพลินแล้วกันให้พยายามมีสติอยู่กับอารมณ์ที่เราผูกใจไว้นะี่มันจะสงบไม่สงบไมไม่ต้องไปสนใจค่ะได้จ้ะค่ะแต่ตอนนี้ค่ะมีมีแค่เนี้ยค่ะหลวงพ่อแต่แค่รู้สึกว่ารู้สึกว่าอีกสองทิศกลับไปกลับไป เมืองไทยแล้วต้องกลับไปเริ่มทํางานต้องเจอคนเยอะไม่รู้จะเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าตอนเนี้ยชอบชอบที่ตัวเองสามารถหยุดคิดได้ได้นานขึ้นก็ค่ะไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่มีเรื่องให้ต้องกังวลประโยชน์ของการไม่คุกกีีกับใครออยู่วิเวกเนี้ยมันช่วยทําให้เรามีสติมากขึ้นค่ะเกิดยงัยงยงังแต่ว่าขนาดอยู่กันแค่สองสาคนนะคะอยู่กับพี่สาวพี่เขยแล้วก็คุยกับคุณพ่อบ้าง วัละสองสาครั้งขนาดอยู่เพแค่ไม่กี่คนเนี่ยบวันไหนถ้ามีมีอะไรต้องคุยเยอะมันก็แค่อยู่แค่นี้ก็ยังวุ่นวายเลยนะคะอย่างคิดอืม <c oughs> <c oughs> ถ้ากล <c oughs> ับไปทํางานนี้กลับโอก<อ>าส<อ><อ>ที่จะไปอยู่คนเดียวไม่ต้อ ง, งอยูอ่กับใครดูถึงจะเห็นคนประโยชน์ค่ะแต่จ้ะค่ะ น, นี่นี่ก็เหมือนอยู่คนเดียวแต่ว่าก็ยังมีมันก็ยังมีมีเขาเรียกอะไรนะคะหลวงพ่อมีกิเลสมีมีมารเหรอคะ มีมีมี b a r r i e มีเขาเรียกอะไรคะมีมีตัวจำกัดให้เราปฏิบัติได้ไม่ดีอ่ะค่ะตัวเราเองเนี่แหละค่ะหลวงพ่อแก้ดต้องพยายมต้องพยายามทำลายมันให้ได้ค่ะได้เจ้าค่ะหลวงพ่อจะพยายามต่อไปเจ้าค่ะจะพยความเพียรให้มากขึ้นค่ะเพิ่มความเพียรให้มากขึ้นค่ะยังยังติดยังติดยังความเพียรน้อยเจ้าค่ะหลวงพ่อรู้ตัวเลย ยังมีความขี้เกียจแล้วก็สัจจะสัจจะยังตั้งไม่ได้ไม่กล้าตั้งสัจจะค่ะเขารู้ตัวว่าถ้าตั้งแล้วทําไม่ได้แน่ยังติดกับความสุขสบายอยู่ค่ะติดกับเรื่องกินเนี่ยค่ะนี่น้ําหนักขึ้นมาแต่ก็มีมีข้อดีนะคะน้ําหนักขึ้นมาของหนูรอบนี้หนูสามารถไปบริจาคเลือดหนูหนูล่าสุดหนูก็ไปบริจาคเลือดที่ที่กาชาดของออสเตรเลียมาค่ะได้สองรอบได้ได้ทําบุญเพราะน้ําหนักขึ้นเนี่ยค่ะ เพราะว่าตอนตอนน้ําหนักไม่ถึงนี่เขาไม่รับพลาสมาก็ไม่ให้บริจาคใช่ไหมคะตอนนี้พอน้ําหนักได้เกณฑ์ปุ๊บเขารับทุกสิบสี่วันหนูก็ไปทุกสิบสี่วันเลยได้ทําบุญได้ทําบุญแต่ขาดขาดทุนไม่ได้ภาวนาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปลดค่อยลดน้ําหนักค่อยกินน้อยลงอ่าอยากภาวนาก็ต้องกินมื้อเดียวอย่างงี้ถึงจะได้ได้ภาวนาง่ายขึนดีขึ้น แต่อยู่นี่ก็ถือสิ่งแปดไม่ได้ค่ะหลวงพ่อมันด้วยความที่ที่นอนก็หน่อกต้องนอนฟูกหนาเพราะมันอากาศหนาวค่ะก็อย่างมากก็แค่ได้อุดอาหารบ้างอะไรเงี้ยเมือเดียวบ้างแต่ก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทําแบบเป็นจริงจังอะไรเงี้ยค่ะค่ะยังยังไม่กล้าตั้งสัจจะเดี๋ยวคงมีวันนึงได้ได้ได้อธิษฐานจิตได้ตั้งสัจจะคงจะคงจะทําได้ตอนนี้ตอนนี้ไม่กล้าทําเอาเท่าที่ทําได้ไปก่อน โอเคทำตามกำลั ง, งที่เราม่อยู่ค่ะหนุพ่พ่อขอบพระคุณมากเจ้าค่ะอ่ะาสาธุค่ะอ่าคุณบลัลีเป็นยังไงนะกลับถึงบ้านแล้วนะกลับถึงแล้วฮะกล่าวหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อโหดีมากเลยแตวาทีตหมูยิ่งทำยิ่งดีไปหลวงพ่ออ่าดีค่ะแล้วก็ ถ้าเรายิ่งพิจรารณากายไปเรื่อยๆค่ะหนูก็ตอนแรกหนูไม่เข้าใจว่ามันจะละกิเลสยังไงแต่พอพิจารณาไปแล้วมันจะเห็นเห็นเลยว่าถ้าเราเราพิจารณาเนี่ยเราจะเห็นความจริงเหมือนสอนจิตให้เขาเข้าใจถึงความเป็นจริงแล้วแล้วใจอ่ะมันยอมรับเหตุผลตรงเนี้ยค่ะหนูก็มันก็จะไม่ เหมือนมันไม่ยึดไม่ไม่เอาอะไรมาทุกข์อยู่ในใจมันก็เลยไม่ได้มีความอยากแต่ถ้าเรายังมีความยึดความอยากอันเนี้ยมันจะมีทุกข์อยู่ในใจเราก็จะละไอ้กิเลส ต, ตรงนี้ไม่ได้หนูก็เลยเข้าใจว่าอ๋อที่ที่บอกว่าถ้าพิจารณาแล้วกิเลส ต, ตรงเนี้ยมันจะค่อยๆลดลงไปลดลงไปหนูก็เลยเห็นเห็นตรงนี้แล้วว่าค่ะหลวงพ่อถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วจิตมันเข้าใจจริงๆอนะค่ะหลวงพ่อมัน มันจะลดทุกอย่างเลยค่ะหลวงพอแม้แก่แม้แต่เรื่องการกินอาหารนะมันก็จะมีเหตุผลไม่ได้นึกอยากนึกอะไรถ้าถ้าอยากจะกินเนะี่ยมันจะถามเลยว่าเรากินเพราะว่าเราหิวหรือว่าเราอยากอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอมันจะมีคําตอบให้เราว่าร่างกายอ่ะมันมันพอแล้วแต่ถ้าเรายังอยากกินอยู่อ่ะแสดงว่ามันเป็นกิเลสอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอพอหนูเห็นแบบเนี้ยมันใจมันจะ มันจะคลายมันจะถอยแล้วมันคือมันมองอะไรแล้วมันเห็นเห็นเหตุเห็นผลเห็นความเป็นจริงแล้วมันทำให้เรามีสติมีสมาธิมีอะไรดีหลายๆอย่างไปหมดเลยอะออค่ะหลวงพ่ออืมดีค่ะอืมให้เรื่อง ก, กินนี่ต้องมีกำหนดเวลาไม่ใช้ไู้ว่าหิวหรืออยากค่ะถ้ากินตามเวลามันแสดงว่ามัน ต้องกินเพราะร่างกายมันต้องมีอาหารรอเลี้ยงแต่ถ้าหลังจากเวลากินเวลาอยากจะกินะก็จะเห็นชัดแล้ยมันกินเลยค่ะหลวงพ่ออย่างวันวันวันวันอยุดนะค่ะก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวันวันอาสาชา้นพระค้าหลวงพ่อวันนั้นไม่กินข้าวแค่มือเดียวแล้วก็แล้วก็ปฏิบัติหูหลวงพ่อมันเห็นมันเห็นผลมากมากเลยค่ะที่ทําให้หนูได้ได้เห็นตรงตรงนี้ค่ะหลวงพ่อ เห็นถึงความที <vt ret ii> er mm ่เขาเรียกว่าอะไรนะคะหลวงพอเบาบางจางลงไปอะไรอย่างเงี้ยในใจอ่ะกองกินลองกินมื้อเดียวไปทั้งวันดูเลยก็จะเห็นว่าถ้านั่งเวลามันก็แสดงว่ามันอยากกินนะพอกินมื้อเดียวแล้วก็เราก็กินตามความต้องการของร่างกายแลค่ะมันจะมาอ้างว่าเหนื่อยเหนื่อยนี่มันไม่เกี่ยวกันอมันอ้างไปอย่างนั้นเองค่ะหลวงพ่อมันกระเติมให้มันให้มันเต็มถังคนเดียวพอแล้ววัน คุณยัตงต้องไปเติมอีกอกีก่ครั้งเงินมันมันจะไม่นึกมันจะไม่อยากเลยค่ะหลวงพ่อถ้าเราก็ออลองดูสิลองลองกินเมื่อเดียวดูทุกวันดูค่ะหลวงพ่ออ่าจะได้ดูว่ายังอยากอยู่หรือเปล่าค่ะหลวงจะลองลองใหม่ค่ะหลวงพ่ออ่าเพรายฉนันจะไม่รู้ว่าอยากกับหิวเป็นยังไงหิวก็กินตอนตอนที่เรากำหนดเวลาให้มันกินก็กินให้มันอิ่มไปเลย อีกนาที่หลังจากนี้ไปยี่สี่ชั่วโมงถ้ามึงอยากกินก็แสดมึงอยากแล้วไม่ใช่ไหมแต่ว่าเป็นเป็นกิเลสไปแล้วออออค่ะมันจะอ้างว่าทํางานเหนื่อยใช้พลังงานมากอึ่งนู้นอย่างนี้มันจะอ้างไปเรื่อยๆก็ไม่ตายใช้ก็ใช้ไปเถอะก็ไม่ตายค่ะแล้วอืมคือคือทำค่ะเย็บ ถ้าท่านกระฉับมือเดียวบางวันท่านก็ทํางานเดินจงกรมนั่งทํางานอย่างอื่นด้วยปัดกรา ด, ดทําอะไรเยอะแยะไปหมดท่านก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยท่าน ก, ก็กินมือเดียวท่านใดนะถ้าอยากจะพิสูจน์เรื่องความหิวความอยากมันต้องมีมีมาตรการนะต้องมีกําหนดเวลากินแล้วเวลาไม่กินเมื่อเวลาไม่กินแล้วอ้างว่าหิวเนี่ยไม่ใช่หิวแล้วอยากแต่แไม่อยาก <laughs> ฮัลโหลเป็นวิธีง่ายๆเปวิธ<ะ>ีง่ายๆไม่อด้ถ้าน่าน่าน่าเวลากินแล้วแสดงว่ามันอยากฉะ น, นั้นเนี่ยมันถิวก็ไม่เป็นไรหิวไม่ตายบอกมันร่างกาย ม, ม, มันไม่เดือดร้อนอะมันมันอาจจะหิวแนตะ่มันไม่มันมันไม่มันไม่ตายก็ไม่ต้องไปกังวลนะผ อ, อลองทําแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วพอเราเห็นของอะค่ะเห็นของที่เราชอบเนี้ยค่ะมันมันจะบอกเลยว่า อยากกินเหรอหรือว่าหิวอพอบอกว่าไม่ได้หิวก็แสดงว่าเราอ่ะยังมีความอยากอยู่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็จะหยุดก็อยากกินค่ะหลวงพ่อมันจะเห็นมันจะอยากก็ไม่ต้องกินมันหรอมันกําหนดว่างกินมือเดียวอย่างเงี้ยมันหมดปัญหาไปมันจะหิวจะอยากก็ไม่ต้องมาสนใจกูไม่ให้มันกินอยู่ดีคหลเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะต้องใหม่อีกค่ะหลวงพ่อเอาให้แบบ เชียวชัวว่ายังยังอยากหรือหิวหรือแบบกิเลส ย, ยังไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะท่าตัง้งแต่บวชมาวันนั้นเรากินมื้อเดียวมาตลอดนะหน่<ป>หนูก็นึกถึงหลวงพ่อว่าหลวงพ่อฉันมื้อเดียวจนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังสุขภาพดีอยู่อห<ด>นูนก็ไม่ตายก็ไม่ตายค่ะหลวงพ่อแต่พอไปเห็นของอะอย่างอย่างเราเช่าทุ่เรียนอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเห็นแล้วก็ แต่ว่าต้องเห็นตอนที่มันออกมาจากท้องจากตัวเราบ้างสิจะไม่เห็นแต่การเข้าอย่างเดียวต้องเห็นตอนที่ออกด้วยหนิหนูก็ตัดใจหนูก็หนูก็เดินผ่านไปเลยค่ะหลวงพ่อหนูก็ไม่ไม่ตือ้อก็คิดถึงมันเวลามันเข้าไปในท้องแล้วมันออกมาเป็นยังไงบ้างนะค่ะ ห, หลูงพ่อมันมันต้องออกมาไม่ใช่เหรอที่ที่เราเข้าไปในคะ่ะอ่าเน้นถ้าคุณมองให้มันให้มันสมดุล มองทั้งทางเข้ามองทั้งทางออกอย่ามองมองแต่ทางเข้าอย่างเดียวค่ะเหรอคะกิเลสมันฉลาดกันนะมันบอามันบอกให้มองเห็นแต่ทางเข้ามันไม่ให้มันไม่ยอมให้ม อ, มองเห็นทางออกใช่ไหม ม, มีมีหลายเหตุผลมาอ้างค่ะหรอไม่กล้ามองด้วยซ้ำในเวลามันออกมาเนีลิบจับโค้งทันทีเลย แต่เวลามันเข้ามาโอ้โหน้ําลายไหลเลยเวให้มันเข้ามามันมันหน้าไงต้องหน้ามันสวยมันดีแต่อตอนถอดตอนมันหน้าช่างตอนมันออกมันหน้าชังโดนเยอะัวนี่แหละทั้งหน้าแล้ทั้งหน้าช่างก็พอแล้วก็ต้องกินเพื่อเห็นผลกินเพื่อเลี้ยงร่างกายไม่ได้กินเพื่อตอบสนองต้านทานความอยากก็พอบางทีของของง่ายๆกับกายมันของ เอาเขวมันของหมูหมูแต่ทํามจริงมันไม่หมูมันมองข้ามมันไปมันชอบมองกิเลสไงค่ะปัญญาอยู่แต่ว่าลองปฏิบัติดูแล้วดีค่ะหลวงพ่อถ้าถ้าเราทําได้ตลอดไปอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมันมัสบายไม่ต้องกังวลงานถึงเวลาก็กินได้ถึงเวลามีอะไรก็กินได้ข้าวเปล่ากับคุกกับน้ําปลาก็อร่อยถ้ามันถ้ามันกินมื้อเดียวนะถึงเวลามันหิวแล้ว ทั้งหิวทั้งอย่ากรวมไนหมดเลยถ้ามันอยากจูจี้จุกจิกก็เอามาคนคุก ม, มันให้มันเป็นข้าวหมาไปเลยปั่นมาในที่นึงผสมไปเลยค่ะหลวงพ่อผสมปไปเลยทั้งข้าวทั้งหมาขนมน ม, น ม, น ม, นมเนยอะไรใส่ใไปในชามแล้วก็คุกเหมือนคนนั่นค่ะเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมันในท้องไม่ใช่เหรอค่ะหลวอพ่อวันวันนี้หนูหนูก็เอาเข้าวข้าวต้มอ่ะผสมแล้วหนูก็กวนกวนแล้วหนูก็นั่งมองแบบ มันก็ไม่ได้สวยอะค่ะหลวงพ่อเพราะมันกลืนลงไปในท้องมันก็เหมือนเหมือนพวกหมาอ้วกแมวอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันทําให้เรากินได้น้อยลงค่ะหลวงพ่อใช่ค่ะกินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินค่ะหลวงพ่อโอเค okay. หลวงพ่อหนูขอถามอีกคำถาม ห, หนึ่งค่ะหลวงพ่อครัแล้วอย่างอย่างพ้าที่ที่เขาเรียกอะไรครับปราชิกแล้วอะคะ่ะ ที่ที่มีสี่ข้อค่ะหลวงพอมีค่าคนรักทรัพย์ปวดรัท<ช>ุนค่ะแ ล, แล้วแล้วไอ้ข้อที่เสรเมถุนเนี่ยมันปราชิกแล้วอะ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไปกลับมาเป็นค า, ารวาสแล้วก็เหมือนสมมติว่าถ้าเราสำนึกผิดแล้วเราตั้งใจมาปฏิบัติธรรมอะอย่างเงี้ยจะสามารถเข้าถึงธรรมได้ไหมคะเข้าเขตอะไรได้ไหมคะเข้าจะไปถึงธรรมได้มันยากอ่ะเพราะพระเจ้าบอกว่านั้น ต้นตาลที่ยอดมันมันมันด้วนแล้วอ่ะหมายหมายถึงว่าออกมาเป็นคาราวานแล้วมันเป็นอะไรก็ตามจะเป็นผ้าหรือออกมาอยู่เป็นผ้ามันก็มันก็ต้นตาลยอดมันมันมันมันด้วนไปแล้วไม่มีทางเจริญขึ้นไปได้ค่ะมีโอกาสเจริญมันมันไม่เจริญนะมันจะไปกลับใจได้ยังไงมันเลือกทางของมันไปแล้วมันจะไปสู่นรกไปสู่อบายแล้วค่ะหนูหนูไปเข้าใจตรง ตรงที่ว่าอาพระองค์คุลิมานอ่ะที่ยังฆ่าคนมาเยอะแต่ว่ายังยังบรรลุได้แต่หนูลืมไปว่าท่านฆ่าก่อนที่จะบวชก็ยังสามารถไปได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อ mm hmm. แต่ถ้าบวชแล้วไม่ได้ใช่ไหมคะหมายถึงทําผิดแล้วแบบนี้ค่ะไม่ไม่สามารถไปถึงทำได้ใช่ไหมคะคือเราก็ไม่อยากจะพูดเพราะมันเปนกรณีพิเศษก็ได้แต่ละองค์ุลิมานอ๋อค่ะหลวงพ่อแต่ คือถ้าจะพูดว่าทุกคนถ้ากลับใจได้มันก็มันก็มันก็ไปได้ต่อใช่ไหมมันกเหมือนกับขับขับรถไปผิดทางแล้วกลับรถใปมันก็ไปได้<ฆ>ไแต่มันจะมันจะกลับใจหรือเปล่ามันอีกเรื่องนี่เราพูดทางทฤษฎีไม่ไม่อยากจะพูดมากถ้าคำว่าถ้าน<ฆ>ี่มันเ<ฆ>พื่อแลนเดี๋ยวจะทําให้เรา<ฆ>เห็นดีเห็นงามไปด้วยคือหนูได้ยินคนเขาพูดว่า พอมาเป็นคารวาสแล้วยังสามารถไปถึงได้อะค่ะหนูก็เลยสงสัยว่าจะไปถึงได้ไหมเป็นถ้ายังไปไม่ถึงนัขึ้นทางด่วนยังไปไม่ถึงนัมาลงขับรถใต้ทางด่วนยังไม่ถึงไงกันขับใจขับตัแล้วก็ไม่ได้คําว่าถ้ามันก็มันก็เป็นไปได้อย่าง<ะ>แตง่ทําทไมเทําไมวทัาทําไมทําไมต้องไปตกนรกก่อนใช<ะ><ะ>่ไหมมันก็ งนอย่าไปสนใจกันเรื่องข อ, ของคุณ<า><า>อนู่เลยหลนงจากเราตอนนี้เราอยากไปทําำตามเขาก็แล้วกันดีกว่าแล้วก็ไปดีอยู่แล้วเราอย่าไปทำเชื่อเพื่อเพิ่มมากับใจทีมันไม่ใช่ของง่ายเพรไปติดอะไรแล้วมันยากที่จะเลิกใช่ไหม<ข>อตอนนี้เราไม่ติดกาแฟเนี่ยเราพอเราไม่กินกาแฟแล้วตอนนี้ติดทุเรียนเนี้เราไม่มันเลิกยากเลทุเรียนเนี่ยเวลามันติดแล้วเนี่ย <laughs> ได้ได แด้แต่ปรับใจอ่าท่าท่าถ้าจะเลิกก็เลิกได้แต่ไม่ไม่เลิกยังเสียดายอยู่ยงัาา้นเหรอเรื่ อ, อ, องคำว่าท่ามาพูด้มันเสียเวลาเลยมั น, นอ่อถ้ามันถ้ามันทําได้ก็ทําได้แล้วพูดง่ายๆ<ห>เราไม<ำ>่อยากจะถ้าทําไม่ได้ก็ทําไม่ได้นะ ค่ะหลงพ่อเข้าใจแล้วค่ะขนานเรานี่ยังไม่ยังไม่ประละชคยังไม่อะไรยังยังไปไ <ทำ S 1> ยังไม่ได้ไม่ค <laughs> <laughs> ่าหลงพอเข้าใจแล้วค่ะอืคือทุกอย่างมันก็เป็นไปได้หมดถ้าถ้าทําใจได้ถ้าเปลี่ยนใจได้แล้วมุ่งมั่นมันก็ไปได้แต่มันจะเปลี่ยนใจได้หรือเปล่ามันไม่ใช่ของง่ายอืม ถ้ามันเป็นใบหน้ามืนกันทาไมมันจะต้องโนมาต่ําทําไมเพรามันอยู่ที่สูงแล้วใช่ไหมมันเลือกจะลงไปทางต่ำเองแล้วพอลงต่า้ำมันจะปี่นใจขึ้นที่สูงอีกเลยขึ้นได้ไหมขึ้นไหวเปล่าไม่ขึ้นนะก็อาจจะขึ้นได้ถ้ามันแตามันอาจจะยากนั้นอย่าใช้คําว่าท่าเลยเพราะมันคำว่าท่ามันก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง อาจจะเป็นได้ก็ได้อาจจะไม่เป็นไปได้ก็ได้แต่ไม่ใชาก็เลยวันหนึ่งมันก็มันก็ต้องไปได้อยู่ดีเพียงแต่ว่าช่วงช่วงนี้มันอาจจะไม่มีกําลังพอที่จะที่จะกลับนําที่จะพลิกผันโดยให้ไป็นทางที่ดีได้อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปก่อนอะไรแล้วกลับมาเกิดมปอันนี้ <ไป S 1> เราไม่รู้ไปรับผลก่อนใช่ไหมคะถ้ามีผลแบบต้องรับก็ต้องไปรับก่อนค่ะ แต่ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครก็ไปได้ทั้งนั้นน่ะถึงเดี๋ยวจะทําได้หรือเปล่าเั่านั้นเองปัญหามีอยตรงนั้นค่าหลวงพ่อถ้าเป็นสุ ป, ปฏิปันโนไม่ว่าจะเป็นปราชิกมาแล้วก็ดีหรือเป็นองคุลีมามาแล้วก็ดีหรือเป็นเทวาทัศก็ดีถ้ายังพลิกกับตัวเองให้เป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้มันก็ไปถึงได้ที่มันจะพลิกได้หรือเปล่าเท่านั้นเองมันอยู่ที่ประเด็นมนอยู่ตรงนั้น นะเพ็นงแต่ว่าพูดโดยทั่วทั่วไปแล้วมันมันยากสาหรับคนถ้ามาทำผิดขนาดนี้แล้วจะมากลับเนื่องกับตัวนี่มันไม่ใช่ของง่ายเข้าใจแล้วค่ะหลวงับอโอเคนะค่ะขอบพระคุณค่ะสาทุสาธุอ่าไว้ที่คุณยินดีต่อยินดี สวัสดีคะ่ะท่านอาจารย์ลูกไม่มีคำถามค่ะก็มีส่งข่าวมาให้จากเดวินว่าสเ่เดอคใจก่อนกับก่อนที่เขาจะออกไปทา ง, งานนะคะท่านอาจารย์เขาไม่มีเยจดจาได้ทุกทุกครั้งเลยนะแต่ก็มีลูกก็เข้าใจนะคะท่านอาจารย์ที่เวลามีข่าวในลักษณะแบบนี้ มันก็ทําให้เกิดข้อคิดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าที่ทานอาจารย์ที่สอนนะคะว่ามันก็ปุ๊บขึ้นมาค่ะความคิดแต่ลูกไม่ได้ดูข่าวนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันมันคือดูไปก็ไม่ได้ไลมันก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรลูกก็เลยแบบดูแต่หัวข้อเฉยๆแล้วดีแล้ว ล, ลูกก็ไม่ได้เข้าไปเรื่องรายละเอียดอะคะ่ะท่านอาจารย์ก็ดูแค่หัวข้อแล้วก็มาร้องอ้อว่าตรงที่ท่านอาจารย์บอกว่าไม่ให้ไปยึด อไม่ให้ยุึดที่ท่านพระอาจารย์ทีแรกก็ยังมันคือการที่ฟังทำใช่ไหมคะท่านอาจารย์บ mm hmm. างทีแบบเราฟังฟังฟังฟังแต่เราก็คิดว่าเราเข้าใจเราเข้าใจแต่บางครั้งอะ่ะมันก็ยังไม่ได้แบบอ้อทีเดียวแต่พอมาคราวเนี้ค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อเข้าใจแล้วมันมันมันทําให้เข้าใจถ่องแท้ค่ะท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์บอกว่าอา น, นิจังแล้วก็อีกครั้งอีกอีกคำหนึ่งคำสอนที่ท่านพระอาจารย์บอกว่า ไม่ให้ยึดเราส่วนใหญ่ท่านพระอาจารย์จะบอกว่าไม่ให้เราอย่ามายึดเรานะอย่ามายึดเรานะแต่ลูกก็จะพยายามบอกว่าอาจารย์ลูกขอยุดท่านอาจารย์ไปก่อนคะ่ะท่านอาจารย์แต่เนี่ยค่ะก็เข้าใจที่ท่านพระอาจารย์สอนว่าให้ยึดเพระธรรมคําสอนเป็นหลักอะคะ่ะท่านอาจารย์อแล้วพ อ, อตอนที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสอนะคะลูกก็เ อ, อมีฝรั่งคนหนึ่งอ่ะคะ่ะ เขาเขาเห็นลูกเดินอยู่แล้วเขาก็มาคุยกับลูกแล้วเขาก็บอกว่าเอเขามีความรู้สึกว่าเขาอะแบบมีความรู้สึกว่าคนเอเชียเนี่ยแบบเขาเขาามีความรู้สึกว่าเ อ, อมันสงบมันมีแบบมันมีความรู้สึกว่ามันสงบมันมีความสุขมันมีความส ง, งบอยู่อยู่ในตัวเวลาเจอคนเอเชียค่ะแล้วลูกก็เลยบอกว่าแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องคือคุยกันไปคุยม า, มาก็มาคุยกันเรื่องเ อ, อ meditation นะคะ แล้วพอดีเขาเป็นอนักเไตกราค่ะถ้าจะแต่แต่แต่เขาอายุเอ70แล้วนะคะแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องอมังะคะ์ค่ะเรื่องเรื่องเรื่องพระอะค่ะดีลูกก็ดีใจนะคะที่ที่ที่ที่เอเวลาลูกเอคุยกับเขาเมื่อตอนที่ยังไม่เกิดเรื่องอวงการสงฆะะ์ค่ะลูกได้บอกเข้าไปว่าอืม ลูกก็ไม่ทราบเหมือนกันลูกก็เลยบอกว่าคนดีคนชั่วมีเสมอกันแล้วก็เวลาอยู่ฟังอยู่อยู่ดูพระไอก็ไม่อยากจะบอกว่าพระทุกพระทุกลูกดีดังนั้นอ่อพระพุทธเจ้าอะค่ะท่านท่านหนูก็เลยนึกถึงคำสั่งสอนของพระท่านอาจารย์เป็นหลักอะค่ะเพราะลูกกลัวว่าถ้าเกิดสมมติเขาไปดูข่าวแล้วถ้าเกิด เขาไปดูข่าวถ้าเกิดมันมีข่าวอะไรที่ไม่ดีกับเ mm. กี่ยวกับพระที่เมืองไทยขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวเดี๋ยวกัวเขาว่าจะเสียความรู้สึกลูกก็เลยบอกเขาว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านบอกไว้ว่ า, วาให้ยึดพระธรรมคําสั่งสอนไม่ให้ไม่ให้ยึดที่พระนะ อ, อ, อยู่ก็ดูไปก่อนแล้วให้ดูไปก่อนถ้าเกิดพระองค์ไหนดีแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อ, อ, อยู่ตามท่านไปเลยลูกก็บอกเขาอย่างนี้ยค่ะแล้ว ล, ลูกบอกอย่างนี้ค่ะลูกก็ดีใจที่ว่าเออแบบไ ด, ไ, ดได้ได้ได้คุยกับเขาไปก่อนล่วงหน้าก่อนที่เอพอดีมาเกิดเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดสมมุติเขามาดูข่าวเมืองไทยเข้าแล้วถ้าเกิดมาเจอแบบนี้เข้าอย่างน้อยลูกก็พูดในไปอธิบายเขาไปในสิ่งที่ดีแล้วอะค่ะท่านอาจารย์อ่ะส okay. าธุสาธุค่ะท่านอาจารย์ก็ขอให้ท่านขอท่านอาจารย์บอลซ่งเต้งคะ่ะสุขภาพาแข็งแรงค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณามากขอตัว <c oughs> อ่าคุณจุกโกเบจำในวัฒน ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะอืมไหให้โอกาสเข้ามาด้วยนะเจ้าค่ะอืมวันนี้หนูตั้งใจจะเข้ามาตั้งสัจจาที่ฐานช่วงเข้าพรรษากับพระอาจารย์เจ้าค่ะอะไรตั้งกับเราเลยตั้งกับตัวเราเองนะั้กับตัวหเ ร, เราเป็นคนที่จะรู้ว่าตัวเราทำจริงหรือไม่มันตั้งให้เราเราก็ไม่รู้ คุณทำจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อยู่ดีคือคือ้าอาจารย์จะได้เป็นเหมือนกําลังใจให้หนูแล้ค่ะเผื่อเป็นกำลังใจไงเราไม่ได้เห็นคุณทําทำก็ไม่ทำํำ <c oughs> <c oughs> คุณทําเป็นตัวตอนตอนเป็นที่พึ่งของตนนะตายอันโนงนาถแล้วะพุทธเจ้าตั้งสัรจจะที่ใต้โคนต้นโพธิท่านไม่ได้ไปหาใครไปตั้งสัรจจะด้วยอ๋อเจ้าค่ะใช่ไมท่าตั้งเอาตัวท่านเองสำคัญกว่าตั้งเอาตัวเราน่ะ เราดูสิว่าเร า, ารักษาคําพูดของเรากับตัวเราได้หรือเปล่าเจ้าค่ะจริงไหมคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเราเหรอกตั้งเสร็จแล้วก็โยมาขอศีลที่ว่าเสร็จกลับไปบ้างจะไปกินเหล้าเมายาแล้วทําอะไรใครไปรู้เลยก็มีตัวโยมจะเป็นคนรู้ตัวเดียวคนเดียวจริงด้วยนะเจ้าค่ะตัวเราที่สุดอ่างั้นตั้งใ <laughs> จกับตัวเองเลยใช่ <laughs> เดีย๋ยวจะลงผิดงนเดี๋ยวคุณเดี๋ยวจะต่างมาตั้งมาใครจะตั้งอะไรก็มาหาเราก่อนเนี่ยไม่งั้นเราจะเป็นคนการันตีให้ตั้งเราจะได้รักษาไม่ได้หรอกไม่ได้ที่ตัวเราอยู่ที่คนอยู่ที่คนตั้งตัวตัวคนตั้งมันจะรักษาสัจจะของตัวเองได้หรือเปล่าได้ค่ะได้ความรู้เพิ่มขึ้นเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ชอบหลงกันเยอะหนึ่งต่างๆเนี่ยค่ะไม่ต้องเบรกไว้ก่อน เด๋ยคนหนึ่งจะเด็กคนหนึ่งจะาตัวอย่างมาเด็กคนหนึงเด็กคนหน่จะกินจะกินข้าวมื้เดียวก็ต้องตั้งสัจกับหลวงพ่อก่อนแล้วหลวงพ่อจะไปเฝ้าดูว่ากินมืเดียวจริงหรือเปล่าอืมใช่ไหมเราตั้งเป็นคนเฝ้าดูตัวเราเองว่าเราทําตามที่เราตั้งใจได้หรือเปล่าจะตั้งใจทําอะไรเมื่อกี้เล่ามาอ เ ร, เราให้ฟังได้แต่ไม่มันต้องมาตั้งสัญญา ก, กับเราเ ค, ค่ะก็คือหนูตั้งใจถือศีลแปดตลอดช่วงเข้าพรรษานี้เจ้าค่ะหนูเริ่มตั้งแต่อวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ อ, อีกอันหนึ่งรับทารับทราบอีกหนึ่งก็คือจะตั้งใจเดินจงกรมแล้วก็นั่งสถานที่ภาวนาต่ อ, อวันสองชั่วโมงขึ้นไปเจ้าค่ะก็ชั่วโมงแล้วก็ฤๅษีฤๅษีเราทำได้เปล่า แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะตั้งใจจะตั้งใจอ่าอ่านหนังสือที่คุณหลากับคุณหมอวีแจกที่ผ่านมาเล่มล่าสุดนะเจ้าค่ะ อ, อ่านได้จบนะอ่านวันละหน้าสองหน้าค่ะอ่านตั้งใจว่าอ่านวันละสองหน้าเจ้าค่ะค่ะ อ, อ่านไปเรื่อยๆนี่ก็จบเองน่าจะได้ความรู้มากหนังสือี่ดีหายากหนังสือของลุงตาทมไมนี่ไม่มีใครเขพิมพ์ละ ค่ะก็คือมีมีเท่านี้เราจะค่ะผู้อาวุโสที่ที่เขา้าต้องมาเราเราฟังได้แต่เราอย่ามาตั้งสัจจะกับเราเพราะเราเร า, เราไม่สามารถที่จะไปตามในเตือนได้ว่าทําหรือเปล่านะอ่าเราต้องเตือนตัวเองว่าเราตั้งสัจจะแล้วนะถึงเวลาต้องทำจะามาขี้เกียจไม่ได้นะจะมาอ้างวันอย่างวุ่นอย่างนี้ไม่ได้นะแล้ค่ะเนอ่ยมาความหมายขอสัจจะก็คือไม่ให้เปลี่ยนใจอ่าอืม ถ้าถ้าอาธิษฐานเฉยๆนี่ยังเปลี่ยนได้อธิษฐานว่าจะกินข้าวมื้อเดียวแต่บางวันก็อาจจะเปลี่ยนว่าขอเป็นสองมือม้อก็ได้เพราะไม่ได้ตั้งสัจจาว่าไม่เสียสัจจะแต่ถ้าตั้งศัจจาว่าจะกินมื้อเดียวนี่เปลี่ยนไม่ได้นะค่ะคือหนูหนูเป็นคนที่แย่แย่อย่างหนึ่งค่ะพระอาจารย์คือคําไหนที่ออกจากปากหนูไปแล้วอะ่ะหนูจะยึดมั่นถือมั่นกับมันจนเกินไปเจ้าค่ะ จนบางทีหนูก็เอรู้สึกว่าเออเราเรายึดมั่นจนทุกข์หรือเปล่าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างเมื่อก่อนตอนที่หนูไปพบพระอาจารย์แล้วหนูบอกว่าคุณแม่หนูจะมาใส่บาตรพระอาจารย์วันตอนเช้านะเจ้าค่ะแล้วปรากฏว่าคุณแม่หนูมาไม่ทันหนูไปรับท่านไม่ทันตอนเช้าเพราะท่านท่านมามาจากเมืองลําปางนะเจ้าค่ะหนูก็ต้องรีบไปบอกพระอาจารย์ว่าคุณแม่หนูมาไม่ทันตามปากที่หนูพูดเมื่อวานเจ้าค่ะพระอาจารย์สอนหนูตอนนั้นว่าไม่เป็นไรของมัน มีเปลี่ยนแปลงกันได้แต่อย่าพูดดีกว่าถ้าถ้ า, าลูกไม่ได้นอนอย่าไปพูดดีกว่าค่ะแล้วองอาจจะพูดก็บอกว่าถ้าไม่มีอะไรขัดข้องคุณแม่เข า, าจะมาพรุ่งนี้เ อ, อ, ยอย่างนี้ก็ยังฟังดีกว่าให้มันมีท่าซะหน่อยนะขอบคุณเจ้าค่ะได้อุบายในการาพูดอะไรเกี่ยวกับนานะคนนี้ต้องมีคําว่าท่าไว้ก่อนอถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยก็จะใส่บาต ท, ทุกวนันอะไรก็ได้ แต่ถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยทํำไม่ได้มันก็มีมันก็ไม่ได้ผิดสัจจานะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะตั้งสัจจางที่อาจจะต้องมีมีท่าไว้ก็ได้หรือไม่มีท่าก็ได้แล้วแต่ความเข้มข้นของเราอัขณะที่เรารู้ว่าเราควบคุมได้ทุกอย่างเราก็ไม่มีท่าอย่างพระพุทธเจ้านี่นะท่านรู้ว่าท่านควบคุมได้ทุกอย่างท่านก็เลยไม่มีท่าไม่มีข้อข้อแม้ตายอย่างเดียวท่านั้นไดออืม เราตั้งแบบท่านได้เปล่าตายอย่างเดียวสัจจะที่เราตั้งอยู่เนี่ยตายอย่างเดียวท่านไมถถถถ่ถ้าถ้าท่านจะไม่ได้ทําว่าแสดงว่าตายเท่านั้นถึงไม่ได้ทําไม่ไม่รู้ว่าหนูตั้งอย่างไรเลยหรือเปล่าจะหนูบอกคนในครอบครัวหนูไว้จ้ะค่ะ ว, ว่าถ้า <S 1> <S 1> <S ถ้าหนูเกิดวันในดวันหนึง่งเกิดวูบขึ้นมาหรือว่าแบบเช่นเรื่องในสมองแตกหรือว่าหัวใจวายเฉยียดพันขึ้นมาไม่ต้อง<ม>เรียก ไ, ไม่ต้องเรียกเก้าหนึ่งหนึ่งหรือไม่ต้องเรียกอ่า คือฉาลดพยาบาลนะคะไม่ต้องเล็กมากก่อนมันตายคอะดังนั้นที้เขาอยู่ที่เขาจะเชื่อเราหรือเปล่าก็ไม่รู้อะอันนี้เราบังคับเขาไม่ได้ถ้าเป็นกรรมของเราที่จะต้องอยู่ต่อเขาก็อาจจะต้องอยู่ต่อไปแต่ไม่ใช่เป็นเจตนาของเราค่ะเป็นกรรมของเราไปแค่เราค่ะเป็นกรรมแล้วค่ะว่าเราสั่นเขาสร้างจะไม่เชื่อเราก็ได้ใช่ไหมค่ะอืม บางทีก็ถึงเวลาจริงๆเขาเขาไม่มีสติยรควบคุมใจท่าเริ่มเริ่มคําสั่งที่เราสั่งไว้ก็ได้สัญชาตญาณของเขาต้องช่วยต้องช่วยอย่างเดียวมันช่วยให้กลับมาเป็นแจวเองก็แล้วแต่เป็นอะไรก็แล้วแต่ก <c oughs> ลัมาเป็น เ, เพิ่กมกรรมภาพานอนติดเตียงก็ได้ใครจะไ่รู้โอ้พระอาจารย์ค่ะ <c oughs> แล้วก็ช่วยไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เป็นหน้าตานงางใจของเราค่ะ <c oughs> ก็เรายอมรับสภาพอาจจะเป็นกรรมของเราก็ได้ค่ะ <c oughs> ใจเราอย่าไปทุกข์กับมันได้อยู่ใจเราอยอมรับสภาพความเป็นจริงแม่ค่ะอจจ า, า, าจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์หนูได้เรียนกับพระอาจารย์เข้ามาศึกษากับพระอาจารย์ได้ตอนนี้ก็สองปีครึ่งแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์อสิ่งใดที่หนูบางทีหนูอาจจะพูดจาใช้วาจาไม่เหมาะสมหรืออะไรอย่างนี้หนูกลับขอคำมาร์กันนะเจ้าค่ะอ่าไม่ยอมไม่มีไม่มีปัญหาเลยอ่า ถ้าไม่มีจมเจตนาก็ไม่เป็นไม่เป็นไมเป็นกรรมถ้นเป็นกรรมก็ต้อง ม, มีความตั้งใจนะคะโอเคสาธุกลับขอบพระพคุณเจ้าค่ะอ่าอาจารย์คุณหมอสุทัศนีต่อเป็นยังไงเป็นหมอมีสร้างสัจจาอะไรไว้หรือเปล่าพัรษานี้ยังไว้แล้วเจ้าค่ะอ่าดีรักษาไว้ก็แล้วกันนะตั้งเราต้องรักษาให้ได้ เจ้าค่ะเคยทําได้มาแล้วแล้วมันมีกําลังใจมากเลยเจ้าค่ะอ่าเนี่ต้องเพิ่มต้องเพิ่มมาตรการในการปฏิบัติจะต้องบีบบีบใจบีบบังคับให้มันทุกข์ยากลําบากมากขึ้นมันจะได้ใช้สติปัญญาสู้ของมันเจ้าค่ะท่านอาจารย์ไม่มีคําถามอะไรนะไม่มีคําถามอะไรเจ้าค่ะโอเคขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่ า, <ข>อาด้วยอ่าไปดิคุณซันนี่อุอันนี้ ถาคุณแม่มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคุณแม่คุณแม่ดีใจมากค่ะคุณแม่ชอบมาบอกวันเตรียมเตรียมวันหลังแล้วว่าจะเตรียมอาหารอะไรไปแต่ก็อาจจะถ้ามีโอกาสก็จะไปถวายอาหารอีกค่ะแต่ก็เ อ, อหนูอ่ะใจหนูอยากไปฟังธรรมแต่คุณแม่รู้สึกจะชอบแนวถวายอาหารมากกว่าเอยังทำทานอยู่ ยังไม่เข้าถึงการภาวนาแต่ก็จะสลับอาจจะสลับกันไปค่ะหนูก็เนี่ยยังไงหนูก็ฟังทมจากพราจารย์ได้ทุกวันอยู่แล้วเออทำที่ไหนก็ได้ค่ะก็วันนี้ไม่ยังไม่มีคำถามอะไรค่ะอาจารย์โอเคมีตัง้งสัจจอะไรเ พ, รเ พ, รเพริ่มเติมหรือเปล่าอเข้าบรรจานิยมหนู ไม่กล้าจ้งสัจย์จะเลยค่วะว่าอาจารย์อธิษฐานก่อนได้ไหมออธิษฐานไ้ก่อนนะอธิษฐานเอ่อเพิ่มเวอ่อกําหนดเวลาปฏิบัติธรรมค่ะคือปกติเวลาว่างจากกับกับจากที่ทํางานจะประมาณทํานู่นทํานี่เสร็จแล้วประมาณสองชั่วโมงแต่ก่อนหน้าเข้าพรรษาก็จะแบบบางทีก็ทะเลทลายอะคะ่ะก็ได้ปฏิบัติไม่เต็มสองชั่วโมงแต่ว่าตอนเข้าพรรษานี้ก็เลยอยากอยากจะให้เต็มสองชั่วโมงนะคะ่ะแล้วก็อยากจะตั้งใจจะ พยายามเจริญอสุภะให้มากขึ้นเ อ, อ่ออาจารย์คะคืออยากจะเจริญอสุภะทั้งวันแต่ว่าพอสมมติว่าเราไปทํางานอย่างนี้คะ่ะหนูก็จะชอบลือมาคะ่ะเป็นเพราะว่าเราเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกไว้ใช่ไหมคะมันก็เลยไม่ได้เหนื่อยใช่ไหมใช่มันต้องบังคับมันจนเป็นช่อบไปมองอย่างอื่นมากกว่าอาสุภะนี่มันเป็นของที่มันไม่ช่อบมอง พยายามดึงมันนะฮะมาให้มองเท่าที่เราใจเราเลืกถึงได้แตยากเพราะเวลาพอเราออกไปข้างนอกทางของภายนอกมันดึงดูดใจเราไปหมดนะใช่ก็ต้องทํางานก็ต้องเอาสติไปกับการทํางานก็บางทีก็จะหลุดหลุดไปค่ะไม่ได้ลืมอสุภาไปแต่ว่าพุดโธพุดโธแบบเวลาว่างพุโทโธเนี่ยพอสมมติไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ต้องคิดเรื่องงานก็จะกลับมาพุดโธได้ค่ะแต่ว่า เหลืออสุภะค่ะอยากอยากจ ะ, จะเจรณาสุภะให้มากขึ้นแก็จะพยายามทําให้บ่อยขึ้นนะทั้วันครับตัวเองค่ะพระอาจารย์จะพยายามต่อไปค่ะโอเคถ้าเจออยาคุณปังว่าอะไรมีอะไรมีสัจจะไหมคันทานี้ก็เป็นเรื่องของสติค่ะมเมนเทนสติให้มากที่สุดค่ะเวลาเจอก็คือก็ต้องเกําหนดลมหายใจค่ะแล้วก็นั่งนิ่ง แล้วก็จะใช้ยำหุดเย็ยนค่ะวันนี้พอดีเลยค่ะเพราะว่าปกติทุกๆเช้าหนูจะต้องอ่อ่ทบทวนบทเรียนนะคะของของของแบรนด์ซึ่งวันนี้หนูก็หนูก็พูดถึงในเรื่องของพวกเซอร์วิสพอดี GM อมาค่ะเขาก็ถามว่าเออทำยังไงเวลาที่มีลูกน้องหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันแล้วใช้อารมณ์เขาก็ถามให้ที่ประชมหนูก็เลยบอกว่า ก็อย่างอื่นก็คือต้องกำโดดสติให้ให้เรามีสติให้มากที่สุดถ้าเราอยู่ในอารมณ์โกรธนะคะเราก็ต้องนิ่งแล้วก็หนูบอกว่าเคล็ดลับของหนูก็ใช้ยอมหยุดเย็นค่ะก็ยังคงใช้ตัวนี้อยู่เจ้าค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าอืมสติหนูมันยังไม่ได้ร้อเปอร์เซนต์เพรานั้นน่ะถ้าถ้าเราถ้าเราคอนโทรลให้ได้ร้อเปอร์เซนต์นะคะเราจะสามารถที่จะพิจารณาทางได้ดียิ่งขึ้นค่ะอืมพยายามทํำสติให้มากขึ้นนะแล้วค่ะโอเค กลับขาบพระคุณจ้าค่ะอาจารย์คุณเน่งคุณเน่งมีสัจธาไหมศรัจธานี้ะอาจารย์มีอยู่ค่ะพระอาจารย์อืเช่น <laughs> ไม่กล้าบอกไม่กล้บอกว่า <Okay. S 2> ปฏิบัติมากขึ้นนะคะพระอาจารย์เคก็พยายามลดมื้อเย็นจ้าคะ่ะ <g år> แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป๊ะ เขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้คืออธิษฐานเฉยนะคะยังไม่ได้เป็นผจากก็แบบแต่ก็ลดได้เยอะแล้วค่ะแต่ว่าบางทีมันแบบแต่มันก็เป็นความอยากค่ะแบบเฮ้ยพอกินน้ําปั๊บเอ้ยมันไม่ได้กินเลยเลยแบบเมื่อวานเลยกินถั่วตับหนึ่งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็แค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมวันนี้ก็ซดน้าแกงเขะอาจารย์แต่ว่าก็ไม่ได้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ค่อยคลดไป แล้วก็เมื่อเช้ามีตื่นมาปกติยมจะเป็นคนนอนหลับยาวเมื่อเช้าตั้งใจตื่นตีสามแต่ว่าปรากฏ ว, ว่ามันมันตื่นแล้วละแต่ว่าอุ้ยมันอุ้ยเดี๋ยวนอนไม่พอป่ะเลยแบบอะนอนนอ น, น, อนสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยลุกก็กลายเป็นตีสี่อ่ะตีสี่ก็ก็ลุกลุกมาค่ะลุกมานั่งก็ภาวนาเลยแล้วก็แต่ว่ามันก็จิตมันกว่าจะสงบก็มัน เกือบหกโมงแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบจะจะรู้จังหวะค่ะพระอาจารย์ก็ว่าถ้าเกิดเราเราพอจะสงบ่มันโยมมันจะมีแบบเหมือนกับเป็นแสงสว่างขึ้นมาช่วงหนึ่งมันจะรู้ว่าเอออันนี้มันใกล้ใกล้สงบแล้วคราวนี้แล้วมันก็ค่อยจะดิ่งเข้าไปสู่ความความว่างสงบแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้นานมากค่ะก็เลยมีคุยกับเพื่อนเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าเออก็เขาบอกว่าทําไมไม่นอนอะ ก็ภาวานานก็นอนนี่นอนนอนภาวานานไปนอนได้เขาบอกว่าก็เขาก็นอนภาวานานประจำโยมก็บอกว่าเอ๊คือสําหรับตัวโยมอะเวลานอนภาวานานไม่เห็นมันจะได้ผลเลยอะคือนอนภาวานานก็ทํานะแต่ว่าคือบางทีโยมจะมีแบบบทสวดมนเวลาที่นอนแต่ว่ามันจะไม่ได้ความดิ่งเข้าสู่ความสงบแบบนั่งอะคะ่ะพระอาจารย์มันไม่ได้หรมันนอนพื่หลับ มันนอนเพื่ออะไรภาวนาเพาาื่ออะไรไม่ใช่ภาวนาเพื่อสมาธินั่นสิคะ่ะยังว่าอะถ้าเกิดนอนแล้วมันได้ผลก็ดีทุกคนก็นอนสมาธิกันเลยมันไม่เหมือนกันนะคะพระอาจารย์ไม่เหมือนละมันหลับไม่มีสติมันหมดสติอย่าเพิมองว่าทำไมบางคนบอกโอก็นอนภาวนานอนภาวนากันใหญ่เขาไม่รู้เขาไม่รู้<อ>ว่าภาวนาเพื่ออะไรเขาแค่ภาวนาก็เพื่อให้มีพุทโธพุทโธในใจครับแล้วก็นอนได้เขาก็นอนก็พุทเขาภาวนาพุทโธไป พูดตัวไปจะนหลับแม่แต่มันจะไม่มีทางเหมือนที่เรานั่งสมาธิแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิหรอกไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิอย่างที่บอกมันจะภาวนาเพื่อหลับไม่ใช่ภาวนาเพื่อสมาธิมันจะมีความเบาเบาเบาๆบโอเคแล้วมันก็จะมันมันจะมันจะหลับง่ายกว่าเวลาที่ไม่ภาวนามันใช้คำว่าชงชาญไหมมันได้บุญเหมือนกันไหมคะพระอาจารย์มันไม่ใช่ชงชาญอะไรมันหลับ ไม่เดาใช้ทำโขโขแก่แก่แก่แกไปอย่างนั้เองอ๋อไม่ใช่ฟงชาแนะคะไม่ใช่มันหลับเป็นหลับเอเ๊มันเหมือนกับการเข้าสู่ผวังอะไรไหมคะพระอาจารย์ก็ผวังหลับไงผวังมันมีสองผวางผวังที่มีสติกับผวังที่ไม่มีสติผวางที่มีสติก็เป็นสมาธิเป็นชาญขึ้นมาผวางที่ไม่มีสติก็หลับผวังหลับ พระอาจารย์เขาแล้วอย่างพระที่แบบว่าท่านทรงฌานตลอดเลยคะ่ะว่าท่านก็นั่งสมาธิอะ่ะแต่ว่าเวลาท่านนอนท่านก็สามารถทําสมาธิยังไงคะพระอาจารย์ท่านไม่ทำเนี่ยนอนเป็นคนธรรมดาเพียงแต่ท่านก็ดูลงไปไมพุทธถไปเพื่อจะให้ได้หลับได้เร็ว<อ>ถ้าปล่อยให้คิดเป็นเดยก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยกว่าจะหลับค่ะพระอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งค่ะพระอาจารย์ยมยมย ม, ยมสงสัยนิดนึงคือว่าอย่าง เวลาที่เรานั่งสมาธิอะ่ะถ้าเราปฏิบัติแบบพ อ, อมันจะไอ้เรื่องมันจะมีความสุขในการนั่งมีความสุขแล้วมันไม่ได้มีความต้องการที่จะแบบเสกกามอะไรเลยอะ่ะมันยยมย ม, ยมคิดเองอะ่ะยมคิดว่าอย่างอย่างที่แบบมีข่าวอย่างเงี้ยค่ ะ, ะคือบางทีอย่างนักบวชบางครั้งถ้าเกิดไม่ได้ปฏิบัติอะ่ะมีงานนูน่นนี่นั่นเยอะแยะถ้าไม่ได้ปฏิบัติอะ่ะมันไม่ได้อยู่ในสมาธิมาก เวลามันเจอพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะต้องแบบมีความต้องการอย่างนี้หรือเปล่าครับอาจารย์เพราะบางคนอ่ะถ้าอีู่ในที่ธอ่ะมันไม่ไม่ไม่ไม่เห็นอยากเลยใช่สมาที่มันทําให้เราใจอิ่มไงเพราะว่าสมาธิใจก็หิวโหยเห็นรูปเสียงกินแล้วก็ความับเลยก็คือไม่ได้ปฏิบัติจริงเขาไม่ได้ปฏิบัติพราะพวกนี้เขาไม่ปฏิบัติกันเขาสอนหนังสืออย่างเดียวเขาเรียนจบแล้วเข้ามาสอนหนังสือต่อ เป็นอาจารย์มันทำมาอะไรยางเงี้ยอาจารย์ทำมาอะไรก็ไม่ไปไม่มีใครปฏิบัติกันใช่ไหมเขาก็เรียนจบเขาก็วิชาคามทียมมาสอนต่อเลยเพราะจิงถ้าถ้าปฏิบัตินั่งสมาธิพอมันถึงจุดอ่าที่ว่ามีความสงบหรือว่ามันจะมีความสุขมันจะไม่ค่อยอยากไอไอการมไวใชไม่ได้อยากเลยอะแต่ก็ยังอยากได้อยู่ท่านก็ต้องใช้อสุภะคอยคอยช่วยป้องกันเวลาที่ท่านไม่ได้อยู่ในสมาธิ มันจะเป็นความต้องการทางธรรมชาติอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเป็นธรรมมันไม่ใช่ธรรมชาติหรอกพูดซะเก๋าจะเป็นความต้องการของกิเลสอ๋อค่ะถ้าเป็นธรรมธรรมชาติไงภาอาหารไงท่านก็ไม่เป็นธรรมชาติท่านไม่มีความต้องการกอ๋อมันไม่ใช่ธรรมชาติมันกิเลสอ๋อเจ้าค่ะตัณหากราร ม, มาตัณหาเนีไงตัวที่พาให้มาเกิทันเนี่ยทุกวันเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย ที่มันมันเหมือนกันทุกคนแล้วก็เรียกว่ามันเป็นธรรมชาติไปบางทีมันเป็กิเลสเป็นการมาตัญหาความอยากเศษกามเหยียบเลือกเสียงกินลดผลตะพาเราใช้สมาธิกับปัญญาถึงจะปราบมันได้ถ้ามีสมาธิมันก็ปราบช่วงขนาดที่เข้าสมาธิพอหยากสมาธิมาหรือกําลังสมาธิหมดมันก็หิวขึ้นมาได้อยากขึ้นมาได้มันใช้ปัญญาคุมต่อเวลาไม่ได้เข้าสมาธิออกมาก็ต้อง ดูวสุภาพอยู่ืังยงมองดูร่างกายก็ต้องเห็นอาการ32ของเขาเป็นต้นพาจึงต้องดูอาการ32ตั้งแต่วันบวชเลยพอบวชนี่เขาสอนกรรมฐานห้าก่อนสอนห้าอาการก่อนเกสาโลมานาคานันตาตาโจรผมคนเล็บฟันนังก่อนแล้วพอบวชแล้วก็ให้ขยายไปครบ32อาการเมืนกัที่จำแนกจัตเจที่เขาท่องทุกวันเนี่ยมันถ้าเห็นอาการ32ตลอดเวลามันจ้า มันจะไปเกิดความอยากขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมนี่ไ ม, ไม่เห็นเลยหนังมันหุ้มหอมันเป็นวิ้นชิ้ไปหมดเลยมองไม่เห็นโครงกระดูกเนี่ยพวกเราไม่โครงกระดูกกันอยู่กว่า น, นี่ยมีมองไม่เห็นเลยใช่ไหมเราใช้ตานตออยายถึงจะเห็นเราใช้ตาปัญญาถึองจะเราเ ห, หมือนพิจารณาการสามสิบสองอยู่เลยแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์กับขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคสาธุ อย่าใช้คำว่าธรรมชาตินะมันจะฟังเรื่องนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นไปใช่มันไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นกิเลสมันเป็นตัวที่้ายเรามาเวียนว่ายตายเกิดพายเราต้องมาทุกข์กับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเป็นอันตรายไม่ใช่เป็นธรรมชาติเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเป็นอนโรคมะเร็งกับร่างกายอตามอยากการมาตัญหานี้มันมันเร็งร้าย อยี้่ไหมค่าภาพมากี่รูป้วเนี่ยึกภาพมากี่รูปเลยใช่ไหมเนื่ากท่นไม่พิจารณาอาการฐานที่สองเลยถ้าไม่เข้าสมาธิเลยแต่ขึ้นมาคิดถึงวิชาที่ต้องไปสอนมันนี้สอนวิชาไหนบาลีประโยคไหนประเด็ไหนอะไนี้แลจยแล้วโอเคสาธุอ่าน้องเอินต่อ น้องเอิร์นน้องเอิร์นมีอะไรหมการอภิษกาค่ะพระอาจารย์มีนิดนึงค่ะพอดีว่าเห็นพีพ่และพระอาจารย์พูดถึงเรื่องอสุภาค่ะเอิรก็ใช้วิธีอสุภาโดยการที่เอิง์นแบบใช้เอไอเจนรูปตัวเองค่ะแล้วก็มันก็จะเห็นแบบเป็นกระดูกที่ชัดีมากเล่นเก่งนี่นะขอคำ อ, อ, อันนี้ค่ะ พ, พระอาจารย์งั้นน้องเพื่อนฝูงเนยเพื่อนทียันดูอาจารย์แล้วก็าอาทิตย์ที่แล้วที่พาอาจารย์บอกเทคนิค่ะ ลแล้วก็ครั้งที่แล้วอะครั้งที่แล้วที่พระอาจารย์ให้เทคนิคเรื่องถ้าแบบอยากกินอาหารนะคะก็ให้ดูรูปอุจจาระตอนปลายทาใช่ไหมคะอัะออน้อันนมันพาดเท่นด้วยเอเออก็เลยเซิร์ชเน็ตดูแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเข้าใจแล้วมันไม่อยากกินจริงๆแล้ไม่อยากกินน่แล้วให้พ า, า ด, ดได้เลยอ๋อ อันนี้เซิร์ชในอินเทอร์นเนต็ตเรามันขึ้นค่ะแล้วก็ให้ใหบอกว่าเวลา เ, าเรามาจากร่างกายเป็นยังไงให้มันผลิตได้ไหมอาจจะเดี๋ยวลองดูค่ะพ่อจ๊ะ <laughs> แต่ว่าเรื่องอสุภะที่พี่ๆหลายคนบอกว่าอาจจะเห็นไม่ชัดเลย่งนี้ค่ะน้องเอิงก็เลยใช้วิธีนี้อ่าเนี่ยวให้พี่ๆเขดูกันใช่็ <laughs> มเนี่ยเพอเอาหนังเอาเนื้ อ, อ ก, ก็เห็นหน้าตาเราเป็นยังไงโค้งก็โหลกศีรษะนี่ชัดเจนเลยเนี่ย ใช่ค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าอมสุดท้ายเอิ้นก็ต้องไปจุดนี้เหมือทุกคนทั้งเขาทั้งเราเนี่ก็น่าตามเหมือนกันทั้งนั้นไม่มีใครตายอย่างนี้ค่ะค่ะพระอาจารย์ต่ยกันที่หนังเนี่ยมันทําจมูกกันมาทําคางกันเนี้ยมันก็ทําที่เนื้อกับหนังนั่นเองที่มันทําไม่ได้คือคงกระโหลกศีสารมันเปลี่ยนไม่ได้นะค่ะพระอาจารย์ก็อะไรประมาณนี้ค่ะถ้าอยากจะเอาชนะกิเลด อย่าชนะการมาราคาก็ลองเอาอาสุภะมาสู้กมันน่าจะไม่มีใครกล้าจีบเอลอละค่ะแต่ท่านอาจีบก็อย่าไปแต่งหน้าแต่งตาเลยคอาบน้ำล้างหน้าน้าตาก็พอแล้วได้ไม่ต้องทาคิ้วไม่ต้องทาปากไม่ต้องทาป้งทาแป้งเลยรให้มันเห็นตามธรรมชาติของมันถ้าไม่อยากให้ใครก็มาจีบเราถ้าไม่อยากให้จีบจริงๆก็อย่าอาบ น, น้ำล้างสามมันดู ค่ะอาจารย์แต่เขาจีบเราไม่เท่าไหร่กลัวเราจะไปจีบเขามากกว่าตันนี้ด้กว่าค่ <S <S <S นะอืมทําอันนี้ไม่ได้เพื่อป้องกันให้คนเขาไม่มาจีบเราทําเพื่อป้องกนะันให้ตัวเราไม่ไปจีบเขาค่ <S <S <S นะโอเคนะ <S 2> <S 2> ครแล้ว <S <S 2> <S 2> เ, เดี๋ยวลงประเด็นเลยมาทําตัวเหมืนไม่น่าดู่ เราวไ <laughs> ม่มีใารมาจีบแต่ใจเรามันมันมันจะไปเห็นเขาสวยเขาเห็นเขาเมื่อางามก็อยากจะไปจีบเขาอยู่ดีไม่ค่ะก็เห็นคนอื่นเป็นเหมือนตัวเองค่ะอ่เนี่ยต้องเห็นต <อ tão. S 1> โองเหนะ็นอาการ32ค่ะโอเคขอบคุณค่ะพ่ออาจารย์อ่าเจอคุณหมอต่อยังไงคุณหมนอรอนานอน่นี่ยวันนี้คิวสุดเกือบ ส, สุดท้ายเลยวันนี้คุณหมอรุ่งเรืองคับผู้จัด มีรายงานไหมโอ้สัปดาห์นี้ตั้งใจนั่งสมาธิครับพระอาจารย์แล้วก็นั่งทุกวันเป็นรอบรอบรอบหนึ่งสามสิบนาทีก็ตั้งใจว่าทุกวันเนี่ยจะต้องนั่งให้มากพยายามนั่งอย่างน้อยหนึ่งรอบทุกวันถ้าส่วนใหญ่จะได้เกินกับพระอาจารย์พอเวลาว่างปุ๊บผมก็ว่างปุ๊บผมก็นั่งสมาธิเลยครับครัจะทำอะไรได้สําเร็จต้องมีความตั้งใจเป็นจุดเริ่มต้นครับแล้วก็ มีสิ่งหนึ่งที่พบก็คือว่ามันมีความสงบมากขึ้นครับอาจารย์เอาสงบลงถึงกลางวันด้วยนะครับใช่ยิง่งยิ่งสงบครับเดิมกลางวันผมก็จะสวดมนต์ตลอดหรือว่าพุโทโธหรือว่ากําหนดลมหายใจนะครับยกเว้นตอนทํางานนะครับยกเว้นตอนต้องต้องบริหารงานต้องยกเว้นตอนต้องคุยกับคนนะครับหรือแม้กระทั่งเราเป็นคนฟังเนี่ยเรา ก, เราก็เราก็ปปฏิบัติตลอด แตสิ่งที่แมีสติอยครับพระอาจารย์ตั้งใจตอนนั้นตั้งใจเรื่องส ม, มาสติตั้งแต่เหมือนที่พระอาจารย์สอนว่าตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะครับตื่นนอนก็ทําเลยนะครับถ้าช่วงไหนฟุง้งซั้นมากช่วงไหนคิดมีความคิดก็จะใช้สดมนเดยวยาวเอานะครับอืแต่สิ่งครับแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างเลยคือพอตั้งใจนั่งสมาธิอย่างน้อยรอบหนึ่งสามสิบนาทีนะครับพระอาจารย์วันหนึ่งหลายในรอบเนี่ยปรากฏว่าเ อ, อกลางวันเนี่ยมันสง เวลาปกติเนี่ยมันสงบกับเดิมแล้วมันก็มันมีความเบาเบาครับพระอาจารย์ mm hmm. ตัวเรามันเหมือนเราเบาเาเราสบายสบายแล้วตอนนั่งสมาธิเนี่ยผมผมก็คิดว่าหยุดคิดได้นานนะครับพระอาจารย์หยุดคิดได้นานจนมันเหลือแต่เหลือแต่ลมแล้วมันบางช่วงก็ไม่มีลมแล้วก็กแบบอยู่ประมาณนั้นครับพระอาจารย์ใกล้ความสงบเข้าไปเต็มที่แล้วครับแล้วว่าผมคิดว่าความเพียร น, นะครับก็ตั้งใจว่าโอ้ ย, ยิ่งถ้าได้นั่งได้นานเท่าไหร่นั่งได้มากเท่าไหร่ต้อง ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องทําเลยทางโลกที่จําเป็นจริงๆผมก็จะจะไปเงียบๆแล้วก็นั่งสมาธิครับอาจารย์เพื่อมีความสุขแบบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับราอาจารย์ความสุขแต่ความสงบในเรือ่องความสุขที่ใจ่ครับอาจารย์มันเป็นความคนละอย่างกันนะครับแล้วมันทําให้เราไม่คิดว่าความสุขทางโลกอะไรกับผมเดี๋ยวนี้ไม่อยากไปไม่อยากไปงานไม่อยากไปสมัยก่อนก็ชอบไปมี สังสรรค์มีอะไรอย่างนี้นะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องเรื่องแปลกครับอาจารย์พอผมไปร่วม ง, งานเนี่ยนั่งได้มีถึงชั่วโมงผมต้อ ง, งรีบกลับบ้านเลยเบลอแล้วเบลแล้วมันมันเป็นไงไม่ทราบครับมันก็ไม่รู้ไอ้ทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้นะครับเ<ม>ตียงเดิมเนี่ยครับสมัยก่อนที่เรายังมีมีดื่มบ้างมีมบ้างนิดหน่อยนะครับอาจะมีดื่มบ้างอะไรเนี้ยโอ้อยู่ได้ทั้งคืนเลยครับพระอาจารย์สนุกพอเดี๋ยวนี้ไปนีทําไมมันมันไม่รู้สึกมันสนุกหรือมันไม่อยากมันมันมันรู้สึกยังไงไปเลย อ, อได้ของดีกว่ า, าครับมีความมีความสุขกว่าเยอะเลยครับชีวิตมีความสุขขึ้นมากมากเลยครับแล้วก็ ท, นนทําชนะรถท้งปรุงครับอาจารย์แล้วก็แบบไม่ไม่กลัวอะไรนะครับแต่ก่อนเราจะกังวลใช่ไหมครับ เ, เดี๋ยวจะเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเจองานนะอันนี้ปวก็มันก็มันก็เป็นค่อนข้างเฉยเฉยครับอาจารเฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรครับสบายสบายไม่มีอะไรแน่นอนอาจจะเกิดวันละเกิครับป้าจารย์ผม ผมก็ตั้งใจนะครับมีความตั้งใจแล้วก็จะช่วงเขา้าพรรษาเนี่ยจะนั่งสมาธิให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่าสามสิบนาทีอย่างน้อยที่สุดนะครับที่ตั้งใจแบบนี้นะครับครับาอาจารย์ครับาอาจารย์และาอาจารย์ถ้าถแข็งแรงนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้ผมก็จะไปที่วัดครับ <สา S 1> ครับสาธุดคุณอย่ายิงต่ออยหิงเชยงไห การเจ้าค่ะถึงเราเจ้าค่ะอาจารย์วิศการมเจ้าค่ะเออเป็นยังไงสบายดีอ่าเดี่ลยสบายดีก็ค่ะอืมพรรษานี่มีอนิษฐานอะไรไว้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่กลัวเจ้าค่ะกทําทำไม่ได้เลยอย่าอย่าทาเลยดีกว่าเจ้าค่ะเออแสดงว่าไม่มีแรงมากแรงไม่มีเลยมีมีไปวัดมากจันทร์แล้ไปเจอพระอาารสมชายพระอาารสมชายบอกว่าให้เพิ่มเวลาปฏิบัติก็ ก็งอแงนิดหน่อยก็พระอาจารย์เลยบอกว่าห้านาทีได้ไหมก็เลยบอกว่างั้นให้หกเลยเจ้าค่ะโอเคนี่แหละเพราะอะไรการปกติต้องน้อยเลยกันบอดธรรมะมักจะมั่น้อยปกติทํามีเช้าบ่ายแล้วก็มีเดินจงกรมรอบกลางคืนตอนบ่ายก็ฟังธรรมของพระอาจารย์ไปด้วยกันอ่ะเจ้าค่ะก็ก็เพิ่มให้อย่างนนั้นี้เพราะว่าถ้า ถ้าเกิดว่าอยากทำวันไหนเยอะๆก็ทำเองนะถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วแล้วทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนอนไม่หลับจะค่ะอืมโอเคก็ต้องําตามกำลังของเราไปก่อนนะและค่ะอืมแต่ถ้าฝั่งดันได้ก็ดีนะจะได้ก้าวหน้ามากเร็วขึ้น ถ, ถ้าไม่ดักไม่ดันมันก็จะอยู่กับที่นะ ก, ก, ก, ก็ก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวไปไม่ทันพระจานทร์ะคะอาจารย์ไปร้อนน่าจะนานนะคะก็จะตามาไปโอ้โหก็จะเจอกันโอ้โหแต่ว่าคงไม่เจอกันนะเจ้าคะแต่คงนานเจ้าคะต้องพยายามผลักดันให้มันปฏิบัติเพิ่มให้มากขึ้นนะคะไม่อยากเกิดหลายรอบแล้วเจ้าอ่ะถ้าไม่อยากจะไกล ก, ก็ต้องปฏิบัติเยอะๆเจ้าค <c oughs> <c oughs> ่ะสองนาที <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่าเริ่มได้เริ่มจากหกนาทีกอนก็ยังดีนี่พระอาจารย์ให้กําลังใจของเรานั่ตนต่อด้วยเป็นเจ็ดเป็นแปดไปเรื่อยนะเจ้าค่ะคระอาจารย์วันนี้วันนี้หกเพิ่งนี้ก็เจ็ดวันเลยนี่ก็ 8, แปดขยับไปเรื่อยเจ้าค่ะคาดคันแข็งแรงเจ้าค่ะอ่าสาธุอ่าคุณปูเป้ต่อ การนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะอย่าได้ยินจ้ะ yeah, ของหนูก็ลุยเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์พระอาจารย <Okay. S 2> ์ของหนูก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะพระอาจารย์เรื่องอสุภะเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นพยาบาลก็ต้องเรียนอนาตอมี่ะค่ะเรียนกับศพใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่แต่ว่าประเด็นคือยังแบบมองไม่เห็นร่างกายข้างในแต่ว่าถ้าอระพิจารณาธรรม เร้่องอสุภะไปด้วยก็จะมองเห็นตัวเองเป็นผีไปเลยเจา้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่อยากแตง่งอืก็เลยแบบปนอย่าง ก, การการอาการาั้ที12ก็ได้ซากศพเสร็จก็จะดูจะจะดเป็นซากศพไปก็ได้อ า, าจารย์ก็เลยได้เห็นเลยว่าความสวยงามไม่เหมาะสมกับตัวเองก็เลยไม่แต่งหน้าเลยค่ะพระอาจารยไ์ได้ของดีพระอาจารย์หนูก็เลยเห็นของดีจากเอ่า ของพัฒนมของพ่อพุทธศาสนาเยอะมากค่ะพระอาจารย์เพราะว่าพอร่างกายมีปัญหาเวลานั่งรถมีมาทํางานอย่างเงี้ย ค, ะ ค, ะ ค, ะคะ่ะพระอาจารย์จากสระานครปฐมมากรุงเทพหนูก็เข้าสมาธิเลย ค, ะคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่ามีปัญบ้านร่างกายเยอะ ค, ะ ค, ะคะอ่ะพระอาจารย์ก็เลยใช้ที่เท่ทาได้อค่ะพระอาจารย์คือถ้าร่างกายพังโอกาสที่มันไม่มีห้องน้ําด้วยอย่างเงี้ย ค, ะ ค, ะคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าผ่า หลายรอบอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้การปฏิบัติธรรมเยอะอะค่ะพระอาจารย์แล้วพอมาฟังพระอาจารย์อีกรอบนี่ยหละค่ะแล้วตอนผ่ารอบที่สิบหนูก็ตกใจตรงที่ว่าไม่ค่อยเจ็บปวดทางกายเนี่ยหละค่ะพระอาจารย์อก็เลยว่าอบเจ อ, อจริงก็เลยดยฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมค่ะพระอาจารย์ก็เลยเวลา โรงพยาบาลมีกิจกรรมก็ไม่ได้ไปค่ะพาจอาจย์เพราะว่าจะง่วงนอนอัตโนมัติค่ะพาา่อจัก็เลยต้องฟังทงปฏิบัติทาไปเรื่อยๆค่ะพาา่อจันะเนาะโอเคก็ได้รวคใช้ชีวิตให้คุ้มเลยค่ะอืมใจมีความสุข <พา S 1> โอเคนะหาทุกอ่าไปได้คุณลาตอบคุณลามีคำถามไหมวันนี้ กลับนมัสังเกตค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดห้าคำถามเจ้าคะ่ะคํ า, าคถามจากคุณธรรมศักดิ์ขอโอกาสจากพระอาจารย์สอบถามว่าเราควรจะตรวจสอบตัวเองอย่างง่ายๆว่าการภาวนาของเราเก้าวหน้าหรือไม่ครับก็ดูวลานั่งได้นานมากน้อยเท่าไหร่ถ้านั่งไดนานก็ถือว่าก้าวหน้าแล้วครั้ที่สองก็ถือว่าสงบสงบ สงบได้เร็วเรือช้าก็จะรู้ว่าที่ก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้านั่งได้นานหรือไม่นานสงบได้เร็วเรือช้าเนี่ยจะเป็นตัววัดความก้าวหน้าของเราคำถามต่อไปจากคุณสุพันธ์น้อมกราบพระอาจารย์เจ้าคะ่ะอาการนั่งภาวนาตกเหวหนึ่งครั้งถามว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนโยมไหมเจ้าคะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะ ก็แล้วแต่แคนมันก็มีตกลุมตกบอตกเหวบางทีก็ตกเป็นชั้นชั้นเป็นเป็นทีละชั้นก็ได้แล้วแต่มันเป็นได้ไดหลายรูปแบบนะครันไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจเรื่องคนอื่นสนใจเรื่องตัวเราก็พอเราสงบแบบไหนก็โอเคถ้มันสงบก็แล้วกันคําถามต่อไปจากคุณน้ําดื่มภูผาการฝึกภาวนาใหม่ๆคนทําแบบไหนครับ ท้แบบมีสติให้มีสติกำกับใจตลอดเวลาอย่านั่งให้ใจรอยอย่าปล่อยให้ใจคิดให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้ายังอยู่กับพุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนคำถามต่อไปการพิจารณากระดูกควรหลับตาแล้วนึกถึงภาพโครงกระดูก ตามสัญญาที่มีหรือว่าเราควรกําหนดลงดูที่โครงกระดูกจริงในร่างกายของเราครับก็ต้องเห็นอ่ะมันไม่อยู่เพียงแต่มันทุกหนังมันหุ้มห่ออยู่เราก็ต้องนึกถึงภาพของโครงกระดูกแล้วก็เอามาแปะไว้ที่ร่างกายของเราเพื่อเราจะได้เห็นว่าร่างกายของเราทั้งใต้ผิวหนังเราก็มีโครงกระดูกคําถามสุดท้าย เพื่อนของผมเป็นผู้หญิงมีลูกยังเล็กอยู่ครับมีความทุกข์เรื่องครอบครัวอย่างสาหัสมากกำลังคิดสั้นครับขอพระอาจารย์เมตตาช่วยแนะนำครับกราบขอพระคุณครับใช่คิดยาวๆอย่าไปคิดแต่สุดเทว่าชีวิตเรานี่มันก็มีขึ้นม่ลงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันลงอ่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันขึ้นมันก็มันลงอย่งตอนนี้มันลงก็อดทนทาใจให้สงบ อย่าไปอยากให้มันออย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปเหมายกับตอนนี้เราเจอฤดูฝนก็อยู่กับอยู่กับฝนไปเดี๋ยวพอผ่านไปพอฝนหมดมันก็มีฤดูหนาวเข้ามาแทนที่ชีวิตเราก็เหมือนการผ่านฤดูต่างๆบางช่วงก็สุขบางช่วงก็ทุกข์อย่าไปวุ่นวายไปกับมันสุขก็อยู่กับมันไปทุกข์ก็อยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันสุขอย่างเดียว เพราะมันจะเป็นไปไม่ได้แล้วเวลาเจอทุกข์แล้วมันอยากจะฆ่าตัวตายอย่นอย่าไปฆ่าตัวตายนการฆ่าตัวตายเนี้ไม่ได้เป็นการแค่ปัญหามันจะเป็นการสร้างปัญหาให้กับเราต่อไปเลยพบหน้าชาติหน้าเพราะมันจะติดเดนิสัยไปแล้วเราจะไปแก้ฆ่าตัวตายทุกครั้งที่เราเจอปัญหาที่เราแก้ไม่ได้วิธีแก้ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ก็อยู่กับมันไปออยู่เฉยๆไปอืไม่ต้องไปแก้อะไร อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปอะไรจะดับก็ปล่อยมันดับไปคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดผลิตสหรบันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ